เอในวินัยนี่กล่าวถึงตำรวจไล่โจรมาเพราะงั้นตำรวจไล่โจรมาเนี่ยถ้าจับได้สํานวนว่าโจร น, นี่ยก็ต้องถูกฆ่านะทีนี้วิ่งโจร น, นี่วิ่งมาทางพระพอดีเลยทีนี้ตำรวจก็มาถามพระว่าเห็นโจรเนี่ยไหมเมื่อกีเห็นโจรเนี่ยมาไหมเพรางั้นพระนี้ถ้าบอกนะโจรก็ตาย ถ้าบอกไม่เห็นก็มุสาวาตนี่ทําไงก็บอกว่าในวิธีอย่างหนึ่งก็คือให้ยืนขึ้นซะแล้วก็บอกว่าไปเดินไปที่อื่นหน่อยหนึ่งก็บอกอยู่ตรงนี้ไม่เห็นว่างั้นเอ่อก็ไม่ได้มุสาวาตอะไรเพราะมุสาวาตมันมีองค์อยู่หนึ่งเรื่องไม่จริงอัะนนะั้นสองคิดจะพูดให้ไม่จริงแล้วก็พูดแล้วคนเข้าใจเนื้อความมันนั้นเนี่ยนะครอบองค์อันนี้จึงมุสาวาต นะถ้าหากว่าเราไปไปพูดตรงๆบางอย่างมันก็มีโทษแต่ก็ไม่พูด ซ, ซึ่งวิธีเหล่านี้เนี่ยนะการไม่พูดหรือก็เบนประเด็นเป็นเรื่องอื่นเนี่ยนะแม้แต่ภาษาริบุตรท่านก็ทำยกตัวอย่างมีอยู่ครั้งหนึ่งโจนขาวแดงเนี่ยนะฆ่าคนมาเยอะบอกว่าสมมุติว่าฆ่าครั้งแรกเนี่ยนะวันแรกห้าร้อยวันที่สองห้าร้อยสามสี่ห้าร้อย หลังจากนั้นก็ข่าววัละคนสองคนอีกห้าสิบปีเนี่ยนะห้าสิบกว่าปีทีนี้ตอนหลังก็ปลดกเกษียณเนื่องจากฟันข้างเดียวและคอมไม่ ข, ดขาดเขาบอกสงสารโจรก็เลยปลดกเกษียณใช่พอปลดกเกษียณก็อยากจะกินไอ้ข้าวปลายยอดที่ต้มด้วยนมแล้วก็ใส่น้ําตาลกรวดเนี่ยนะแล้ก็ให้พันยาเนี่ยหุงอันนั้นให้ตัวเองก็ไปอาบน้ําจะได้นุ่งผ้าใหม่แล้วก็จะได้ทัดทรงดอกไม้กับเข้าบ้างอะนะ ระหว่างนั้นก็ไปเห็นภาษาริบุตรเข้าก็เลยนิมนต์ไปฉันที่บ้านนะก็เลื่อมสายก็นิมนต์ไปฉันที่บ้านนี่พอให้พระฉันเสร็จเนี่ยนะก็นั่งฟังธรรมภาษาริบุตรก็แสดงธรรมให้ฟังทีนี้พอแสดงธรรมให้ฟังนี่แกก็ร้อนใจนะไอบาปที่เคยทำมาห้าสิบปีเนี่ยร้อนใจมากภาษาริบุตรนี่ก็รู้แล้วมาเดือดร้อนใจทีนี้ก็ถามว่า แล้วที่ฆ่าเนี่ยนะมีคนใช้ให้ฆ่าหรือฆ่าเองเหมือนกันบอกมีคนใช้ให้ฆ่าอ้าวแล้วบาปอยู่ที่ใครไอโจนนี่ก็คิดว่าเออบาปมันก็อยู่ที่คนสั่งนั่นนะแกก็ทําใจให้สงบในขณะนั้นแล้วก็ฟังธรรมฟังธรรมแล้วก็ได้นุโลมมายานตายแล้วก็ อ, อไม่รู้ดาวเดืงรู้ดูสิธ์นี่แหละคือหลังจากนั้นก็โจนควิต์ตายวัวนี่ควิ์ตายแล้วก็ไปสู่สุคติโลกสวรรค์ก็ชาระวิปติสารไป แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะพูดถึงพรามคนหนึ่ง น, ะนิมนต์พระพุทธเจ้าไปฉัน<ช>เขาเป็นคนที่เลื่อมใสพระเนี่ยใหม่ๆเลยนะเขาเพิ่งเลื่อมใสในสาศาสนานิมนต์พระภิกษุสงและพระพุทธเจ้าไปฉันที่บ้านทีนี้ภิกษุทั้งหลายก็มาใคร่ครวนกันดูเอ๊บ้านนี้นะเขาเพิ่งศรัทธาใหม่ไม่รู้อาหารจะพอฉันหรือเปล่าก็ไม่รู้นิมนต์พระไปเยอะแยะพเพราะนราก็นี้ไปบิณฑบาต ท, ที่อื่นฉันก่อนดีกว่ามั้งกัน ก็ไปบินทบบาทที่อื่นฉันก่อนแล้วก็สายสายก็ไปที่บ้านพรามเนีแต่แล้วทีนี้เขาอาหารเยอะแยะมาถวายเนี่ยนะพอกโอ้รับแต่น้อยแต่น้อยแต่น้อยก็บอกว่ากลัวผมเลี้ยงไม่พอหรือยังไงก็บอกไม่ใช่หรอกเพราะเรามาเพิ่งฉันมาเขาวางกักงนพรามนี่แกโกรธใหญ่เลยนะตักอาหารใส่เต็มถวายเต็มทุกบาทหมดเลยด้วยความโกรธเลยนะเสร็จแล้วตอนหลังแกก็เดือดร้อนใจเอ๋ที่เราทําอย่างนี้มันบาปหรือเปล่านาะ นะไอ้ที่ไปตักบาตรเต็มบาตรใส่พระเพื่อทำธรรมประชดเนี่ยนะบาปหรือปาก็เลยไปถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่พูดถึงเรื่องนี้เลยอ่าพระพุทธเจ้าไม่พูดถึงเรื่องนี้แต่แล้วพระองค์ก็พูดถึงว่าเจตนาที่ทําบุญมันก็เป็นบุญไปแล้วเลยนะก็จะมีผลอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นไปแต่ไอตอนที่ทําด้วยความโกรธพระองค์ไม่พูดถึงเลยอันนี้อย่างหนึ่งในอีกที่หนึ่งพระเจ้าประเสริฐที่โกศลพระนางมาริกาเนี่ยตาย พอพระนางมริกาตายเนี่ยตกนรกอีกเจวนันนะโทษฐานไปโกโหกสามีนะแล้วก็ไปวิปฏิสารใกล้ตายแล้วก็ตกนรกอีกเจ็วันพระเจ้าปร์เซนที่โกศซเนี่ยไปวัดทุกวันเลจะไปถามว่านางมริกาเนี่ยเกิดที่ไหนทีนี้พอเดินไปใกล้ถึงวัดพระพุทธเจ้าก็บรรดาลให้ลืม น, นะไปถึงลืมก็คุยเรื่องอื่นไป วันที่สองก็อย่างนี้อีกที่สามที่สี่เนี่ยนะหลายวันวันหลังก็สั่งอามาตสั่งทหารไปด้วยเลยเตือนด้วยนะว่ังเงินจะไปถามเรื่องนี้แหละว่าพระนางมาเลกาเนี่ยไปเกิดที่ไหนอามาตต์กอเตือก็ลืมกันหมดอีกเน่ยแหละไม่มีใครนึกได้เลยไปก็คุยแต่เรื่องอื่นทุกวันทุกวันถึงวันที่เจ็ดนางก็ไปเกิดในสวรรค์นะก็ไปถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกนางเกิดในสวรรค์แล้ววังเงิน ทีนี้พระเจ้าประเสริฐที่โกศลคนนึกเออท่านนางไม่ไปสวรรค์แล้วใครจะไปคล้ายๆแบบนี้นะภูมิใจในพัญญาตัวเองมากเหมือนกันเพราะนางนี่เป็นคนดีเหลือเกินยังไงต้องไปสวรรค์อยู่แล้วว่างอนกนนะแต่ว่าระหว่างนี้เจดวันพระพุทธเจ้าไม่พูดถึงเลยเพราะถ้าบอกตอนนั้นปั๊บบอกว่านางตกนรกเนี่ยนะเสร็จแล้วพระเจ้าประเสริฐทีโกศลเนี่ยเปลี่ยนาศาสนาแน่เนี่ยนะเพราะทําบุญขนาดนี้ไม่มีผู้หญิงคนไหนในสมัยนั้นจะทําบุญเท่ากับนางมาลิกายแล้วนะ ก็ยังตกนรกไปตั้งเจ็ดวันเนื่องจากที่ไปโกหกสามีเนี่ยนะมีอยู่ช่วงหนึ่งไปไปทำไม่ดีแล้วก็ไปโกหกสามีแล้วก็ไปเดือดร้อนใจในเวลาใกล้าตายตกนรกตือเจ็วันังนั้น น, นะเพราะองค์ก็เปลี่ยนเบนประเด็นซะเนี่ยนะซึ่งเหตุการณ์บางอย่างเราก็ไม่จำเป็นต้องไปเล่าให้ฟังอะไรเนี่ยนะซึ่งซึ่งเจตนามุสาว่าเราไม่มีเพียงแต่เราไม่ต้องการพูดถึงเรื่องนี้ แต่ถ้าหากว่าเราพูดถึงเจตนาที่เราทํามันก็เป็นของเราจริงๆนะบุญบาปเป็นของเฉพาะตัวจริงๆนะถ้าหากว่าเราการุณากับอีกคนหนึ่งเราก็ขาดการุณากับอีกอีกคนหนึ่งเนี่ยนะเพราะฉะนั้นกรร ม, มสกตาก็ค่อนข้างมั่นคงให้หน่อยเนี่ยนะค่อนข้างมั่นคงว่าเป็นของเฉพาะตัวเบียนประเด็นได้เราก็เบนไปก่อนเนี่ยนะนะเพราะถ้าหากว่าเรา คิดอะไรแล้วเราพูดไปตามนั้นหมดก็ยากที่จะรักษากุศลเจตนาเอาไว้ได้แล้วก็จะลืมว่าอาการมูสาวาฏก็มีองค์ของมูสาวาฏเนี่ยนะก็เรื่องไม่จริงสองคิดจะพูดให้ไม่จริงแล้วก็พูดออกไปแล้วเขาเข้าใจด้วยตามนั้นไปเนี่ยนะเช่นลักษณะที่มูสาวาฏเนี่ยนะหนึ่งไม่เห็นว่าเห็นไม่ได้ยินว่า ไ, ได้ยิ น, ไ ม, ไ, ยนไม่รู้ว่ารู้ไม่ทราบว่าทราบเนี่ยนะลักษณะนี้แหละ อย่างเช่นเห็นว่าไม่เห็นเป็นต้นเนี่ยลักษณะนี้ของมุสาวาทที่ตรงๆนี่ยนะ น, นี้ถ้าหากว่าไม่เข้าองค์ในลักษณะนี้ก็ไม่ชื่อว่าผิดศีลอะไรเนี่ น, น, สนะสรุปแล้วก็ต้องเอาสติสอนปัญญะมาพูดหน่อยนะเพื่อให้สบายใจกรรนะ ม, มสกตาเป็นของเราจริงๆคือสติเนี่ยนะสติชั้นต้นเลยก็คือการระลึกถึงกรรมเป็นของเฉพาะตัวอันนั้นคือสติละพอสติเวลาสติเกิดขึ้นนะจะ ก, กาั้นกั้นบาปไม่ให้ล่วงบาปออกไป ธรรมชาติของสตินะ<ร> ENA, เขาเกิดขึ้นเนี่ยเขาจะล่วงบาปไปบางคนเนี่ยนะพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แล้วว่าบางคนเนี่ยศีลขาดเพราะเหตุแห่งลาบบางคนเนี่ยนะศีลขาดเพราะเหตุแห่งยศบางคนเนี่ยศีลขาดเพราะเหตุแห่งอะไรยากบางคนเนี่ยศีลขาดเพราะเหตุแห่งอวัยวะบางคนเนี่ยศีลขาดเพราะเหตุแห่งชีวิตนะแต่ถ้าผู้รักษาศีลที่ศีลเป็นบาศ ของการบรรลมุมรรคผลเนี่ยต้องไม่เห็นแก่ยศแก่ญาติแกอวัยวะและแก่ชีวิตด้วยนะจึงจะสามารถรองรับกุศลธรรมชั้นสูงได้เห็นไหมแต่ถ้าหากว่าเราเห็นแก่อย่างไรอย่างหนึ่งก็ยากที่จะประพฤติพรหมจรรย์ได้ถ้าประพฤติพรหมจรรย์ไม่ได้คติของเราก็ไม่มีไม่มีใครเป็นคนรับรองนะอย่างที่ที่ว่าเนี่ยนะสัตว์ก็มาเป็นมาด้วยกรรมเป็นของตนจริงๆแล้วก็จากไปด้วยกรรมของตนพระองค์จึงแสดงว่ากรรมเนี่ยนะจึงควรเลือกทํา แม้กระทั่งในในการประกอบอาชีพเนี่ยนะพูดถึงชานุโสณีพราหมณ์เนี่ยนะชานุโสณีพราหมณ์นี่เข า, เามีพัญญาคนแรกเนี่ยเป็นคนมีศรัทธาตอนหลังพัญญ า, าคนนั้นเขาก็ตายไปพอตายไปเขาก็ประกอบมิจฉาอาชีพเนี่ยนะางานของเขาก็คืออาศัยพระราชาหลอกลวงชาวบ้านสำเนา ว, น ว, นว่าอาศัยพระราชาปล้นชาวบ้านอาศัยชาวบ้านปล้นพระราชาคือเทคนิคเขามีอยู่ว่าถ้า เขาไปเก็บสวยจากประชาชนนะเขาจะบอกปีนี้หลวงเพิ่มภาษีขึ้นเนี่ยนะก็จะเก็บสวยจากประชาชนเยอะแยะมาทีนี้พอไปเฝ้าพระราชาเอาของไปส่งพระราชาก็บอกปีนี้เข้ากล่าไม่ดีเพราะฉะนั้นเก็บได้น้อยเออดีแล้วเก็บน้อยก็ไม่เป็นไรเหมือนกันแ่ก็เข้าหลวงไปหน่อยหนึ่งนะที่เหลือเข้ า, านะเข้ า, เ ข, าเข้ามือหมดอ่ะทีนี้พระสารีบุตรก็ไปไปถามว่าท่านยังไม่ประมาทอยู่หรือโอ้ยผมยังไม่ประมาทได้ยังไง ชีวิตผมต้องมีครอบมีครัวมีบุตรมีพัญยามีธาตุมีกรรมกรมีพ่อแม่จะต้องเลี้ยงดูว่างั้นภาระเต็มไปหมดเลยเนี่ยนะเสร็จแล้วทีนี้พระสารีบุตรก็ถามมาเออนี่นะถ้าตายไปแล้วไปสู่สำนักพญโยมเนี่ยนะท่านก็พญายมก็ถามมาทําบาปมามั้งหรือเปล่าว่างั้นนะบอกทําบอกผมก็ทําเนี่ยผมทําเพื่อแม่ผมนะ เสร็จแล้วถามว่าพยาลมเขาจะตอบว่ายัางไงเหมือนกันที่ทำบาปเนี่ยทำพ่อพพ่อแม่พ่อ พ, อ พ, อพี่พ่อน้องพ่อมิตรอม า, พ า, าตพ่อญาติสาโลหิตพ่อธาตุกรรมกรเนี่ยนะที่ผมต้องทําบาปเนี่ยนะถามว่าพยายมเขาจะตอบเราว่ายัางไงเหมือนกัเขาก็มายอมล็อกเหมือนันนั่นแหละอาชีพในโลกพอที่จะเป็นสัมมาอาชีพก็พอมีอยู่ซึ่งชีวิตของเราเองจริงๆก็อยู่อีกไม่นานนี่นะอยู่อีกไม่นานนึกถึงพุทธพจน์ในมห า, าภารบัณฑิตสูตร ที่พองพูดถึงสัตว์ที่เกิดในที่มืดแล้วตายในที่มืดเนี่ยจํานวนมาหาศาลเหมือนกันเนี่ยนะเพราะฉนั้นของเราเองก็ไม่รู้ว่าจะไปปฏิสนธิที่ไหนเนี่ยนะเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นที่พึ่งเฉพาะตัวเนี่ยนะควรสแสวงหาสิ่งนั้นว่าไม่ทราบว่าจะตายวันนี้วันพรุ่งเราก็ไม่รู้ได้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นกรรมสกตาเฉพาะตอนนี่ก็ควรให้มั่นคงเอาไว้แต่ถ้าหากว่าเราไม่เจริญกรรมสกตาให้เพียงพอเนี่ยนะคติข้างหน้าต่อไปเราก็ ไม่แน่นอนอ่าเมื่อไม่แน่นอนเนี่ยนะทีทุกๆเฉพาะตัวเฉพาะตัวจริงๆริงเนี่ยบุญบาปเป็นต้นเป็นเรื่องเฉพาะตัวเนี่ยนะอวัยวะทั้งหลายเนี่ยเป็นของเฉพาะตัวเฉพาะตัวจริงๆเลยเนี่ยอ่าพันเพื่นฐานของผู้ที่จะฟังพระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคกรรมสกตาก็ต้องต้องมั่นคงเนี่ยนะอะไรที่ทําแล้วอกุศลไม่เกิดหรืออะไรที่ทําแล้วไม่ผิดศีลผิดธรรมสิ่งนั้นอ่ะควรทําแต่ถ้าหากว่าทําแล้วจะต้องเหลือร้อนใจในภายหลัง ไม่ควรทําเพราะไอ้ความเดือดร้อนใจในภายหลังนี่แหละมันเป็นตัวที่ทําลายเราจริงจริงธรรมชาติอย่างหนึ่งของบาปอกุศชนทั้งหลายเมื่อทําไปแล้วล่วงไปแล้วเดือดร้อนใจในภายหลังอันนี้เป็นธรรมชาติของเขาเป็นธรรมชาติของเขาว่ากายทุจริตวัจีทูจริตมนโนทูจริตที่บุคคลใดกระทาไปแล้วอนะ่นทุจริตเหล่านั้นอย่างไรให้ต้องเดือดร้อนใจในภายหลังแน่นอนทีนี้ถ้าเดือดร้อนใจในตอนนี้ก็ดีกว่าเดือดร้อนใจในเวลาใกล้จะจุติเนี่นะ ถ้าหากว่าชาวนาะวิถีสุดท้ายเดือดร้อนใจหรือวิปปติสารเกิดขึ้นเนี่ยนะอันนี้ไม่มีใครช่วยเหลือเราได้จริงๆรอ่าอย่างหนึ่งอย่างคือเครียกว่าระลึกถึงกรรมที่เคยทําไม่ดีนะถ้าใครชําระจิตตอนนั้นไม่ได้สังสารวัตเนี่ยไม่มีใครช่วยได้จริงจนะนะอย่างการศึกษาพระธรรมคําสอนส่วนหนึ่งเนี่ยนะอย่างน้อยที่สุดถึงว่าไม่ได้บรรลุมรรคผ ล, น, ผล น, ผนิพพานในชาตินี้ว่างั้นเถอะ แต่อย่างดีก็ได้ระลึกว่าออกรรมนิมิตเนี่ยนะส่วนของการศึกษาพระธรรมคำําสอนส่วนของทานศีลภาวนาการฟังธรรมการศึกษาพระธรรมพวกนี้ก็เป็นกุศลกรรมเป็นกัลยาณกรรมเวลานึกถึงสิ่งเหล่านี้เวลาใกล้จะตายขณะนั้นก็เรียกว่าตายแบบคนไม่หลงลืมสติแต่ถ้าหากว่าไประลึกถึงบา ป, ปกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่เคยทำเอาไว้ในขณะใกล้ตายเรียกว่าหลงลืมสติถ้าหลงลืมสติก็อบายทุกติวินิบาตเนี่ยอันนี้หวังได้ แต่ถ้าไปแล้วก็ยากจริงๆอย่างที่ว่าไปเมื่อกี้วงจรพญาตเนี่ยนะสำนึกถ้าถ้าสมบัตินี่นะหนึ่งในพญาตตัวนั้นจะแก้ปัญหาชีวิตตรงนั้นยังไงต่อไปมันก็อยู่ใกล้ๆอย่างเดียวกันแล้วแต่มันจะพัดไปเหอะทีนี้รอจะมีบ้างเป็นครั้งคราวนะที่อปราปริยาจิเวทนิยกรรมอะนะดวงที่สองถึงดวงที่หที่เคยทําไว้เมื่อหลายๆพันล้านชาติไหนก็ไม่รู้มามาเกิดมาให้ผลนําเกิดเนี่ยนะดึงออกจาก จากอบายอันนั้นเนี่ยนะมาเกิดในสุคติถ้าเกิดสุคติควรจะเกิดในตระกูลไหนเนี่ยนะก็เกิดในตระกูลนั้นอีกเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสในพาระบัณฑิตสูตรที่ว่าคนพานเนี่ยนะเมื่อเก่อกรรมทำชั่วแล้วไปสู่อบายทุขติวินิบาตเนี่ยนะก็ยากที่จะได้กลับมาคืนสู่ความเป็นมนุษย์เหมือนเต่าตาบอดร้อยปีเนี่ยนะโลมาทีหนึงที่จะมาถูกบ่วงพอดีเนี่ยยากอย่างนั้นแหละแต่ก็มีบ้าง เป็นบางคราวที่คนพานเหล่านั้นมาเกิดเป็นมนุษย์แต่เขามาเกิดเป็นมนุษย์เขาก็เกิดในตระกูลต่ำในตระกูลต่ำตระกูลต่ำแค่ไหนต่ำชนิดที่ว่าถ้าไม่ทำผิดศีลเลี้ยงชีวิตไม่รอดเช่นถ้าหากว่าตระกูลาชาวบ้านบางกลุ่มเนี่ยนะเขารู้แต่ว่าอาหารของเขาเนี่นะอยู่ในน้ำถ้าเขาไม่ฆ่าเขาไม่มีกินแน่เพราะว่าเงินห้าบาทสิบาทไม่มีอยู่ในบ้านเลยเนี่ยนะ หบาทสิบาทเนี่ยเท่าที่มารู้จักเนี่ยโยมหลายคนนะไม่มีติดบ้านเลยนะครอบครัวหนึ่งครอบครัวเลยนะไม่มีสิบยี่บาทอยู่ในครอบครัวต้องไปขอยืมคนอื่น5บาทสิบาทเนี่ยมาใช้สองวันบ้างสามวันบ้างแล้วแต่จะดิ้นลนไปไปใช้ไปอะไรไปเพราะฉะนั้นถ้าเขาไม่ค่าเขาไม่มีชีวิตอยู่จริงๆแต่ทีนี้ว่าเจตนาที่เป็นบาปก็คือเจตนาที่เป็นบาปเพราะว่าไอ้เรื่องของกรรมเนี่ยถามว่าพระพุทธเจ้าใช่ไหมเป็นคนกําหนดขึ้น วันนี้บุญนี้บาปนะนี่ดีนี่ชั่วใครเป็นคนกนําหนดขึ้นยังว่าใครเป็นคนกนําห น, นดบุญกําหนดบาปขึ้นคือพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่รู้กระบวนการของปัจจัยอย่างตลอดสายว่าอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลอะไรเป็นผลอย่างนี้ให้เหตุอย่างนี้ผลอย่างไงผลอย่างนี้มาจากปัจจัยใดบ้างปัจจัยใดบ้างเนี่ยนะพระองค์เนี่ยรู้หมดรู้ด้วยว่าถ้าจะดับปัจจัยเหล่าเนี้ดับอย่างไง พ้ อ, องรู้พ้ อ, องเอามาแสดงเอามาเปิดเผยเพราะฉะนั้นทุกขศาตร์กับสมุทยัยศัตร์เนี่ยเรามีอยู่แล้วใช่ไหมสัจจะนี้มีอยู่ทุกคนใช่ไหมอ น, น, นัทุกขศัตร์คืออุปาทานขานันธ์หมีอยู่ทุกคนสมุทยัยศาสตร์คือตันหาหกเนี่ยนะก็มีอยู่กันทุกคนเว้นพระระยะนั่นก็มีตันหาเหล่านี้อยู่แล้วสัจจะเหล่านี้ก็มีอยู่แล้วทั้งกรรมวิบากกิเลสก็เป็นไปยอยู่อย่างนี้อยู่แล้วแต่ว่าไอาชีวิตที่ดําเนินไปตามบัตตอย่างนี้เนี่ยเราไม่รู้ ความไม่รู้อันนั้นเป็นอะไรอวิชชาเนี่ยนะอวิชชานั้นเป็นนิวรนเป็นเครื่องกางกั้นไม่รู้ก็ไม่ธรรมดายังชอบซะอีกเนี่ยเด็ไอ้ไม่รู้แลวยังไม่พอยังเพลินอีกยังชอบอีกอันนั้นเป็นตัณหาเป็นสังโยชน์เนี่ยนะอวิชชาและตัณหาที่กางกั้นนี่แหละที่เป็นทั้งนิวรนเป็นทั้งสังโยชน์อันนี้แหละพระองค์ตรัสว่าน้ำตาเนี่ยมากกว่าน้ำทะเลมหาสมุทรเนี่ยนะ น้ำนมที่ดื่มกินเนี่ยนะมากกว่าน้ําทะเลมหาสมุทรแล้วก็เสียเลือดเนี่ยนะเสียเลือดถ้าเก็บเลือดเอาไว้นะทุกคนชาติหนังเสียเลือดไปเท่าไหร่เก็บเลือดเก็บเลือดเก็บเลือดเนี่ยนะมากกว่าน้ําทะเลมหาสมุทรอีกเนี่ยนะเลือดที่สูญเสียออกไปอันนี้เฉพาะส่วนที่เป็นอดีตนะแล้วอนาคตอีกก็จะเป็นเช่นนี้เนี่ยนะอนาคตอีกจกเป็นเช่นนี้เพราะเพราะ อ, อะไรเพราะปุตชนทั้งหลายไม่รู้ว่าที่สุดของวัตตาอันนี้ อยู่ที่ไหนใครเห็นที่สุดแห่งทุกข์แล้วบ้างคุณชุมพรเห็นแล้วก็ยังนายถ้าเห็นจะถ่าจะเลยเล่าให้ฟังทียเมื่อไรจะได้พูดว่าสิ้นแล้วกรรมอะไรอันชาติสิ้นแล้วพรหมจันทร์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทําทําเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้อีกโอ้เจมแจ้งนักพระเจ้าค่ะเจมแจ้งนักพระเจ้าค่ะอย่างนี้หรือเปล่าเมื่อไหร่จะได้อย่างนั้นเนาะเพราะอะไรเพราะว่า อวิชชาเนี่ยมันเป็นเป็นตัวกลางก้านจริงๆกลางก้านจนว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลเนี่ยนะก็สัตว์โดยส่วนหนึ่งก็ไม่รู้จริงๆเมื่อเขาไม่รู้เขาก็ทําแต่ทีนี้ทําแล้วไม่ใช่ว่าสิ่งเหล่านั้นไม่มีผลนะเหมือนกับคนหลงติดยาเสพติดเนี่ยนะรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามแทบได้ติดแล้วก็เป็นอย่างนั้นนไะก็ใครจะไปแก้ไขก็ได้ละแล้วมันยินดีด้วยนะแล้วก็ยินดีที่จะเป็นไปแบบนั้นด้วย นี่ถ้าหากว่าเราศึกษาเรื่องกรรมเยอะๆแล้วก็ศึกษาถึงสัตว์ทั้งหลายที่มีอยู่ในอบายเนี่ยนะจะเห็นว่าสัตว์ในอบายนี่มหาศาลทีนี้เมื่อศึกษาแบบนั้นลักษณะนั้นก็จะได้มีหิเรโอตัปะจะได้ภาคเพียรพยายามเพื่อทำที่สุดแห่งแห่งกองทุกถามว่าที่สุดแห่งทุกคืออะไรเป็นยังไงเป็นที่ไหนอยู่ตรงไห น, น, น อ, าาอ่าอมันเป็นยังไงว่างเหมือนอากาศ อากาศไม่ได้ถูกอะไรปรุงแต่งเลยเหมือนอากาศไมมันบอกไม่ถูกเขาบอกว่ามันจะมีความสุขข้าจาะสุขเวทนาไหมใช่ค่ะไม่มาติดตอ่อยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนอ่ะใครพร น, นึกบอกอ่ะบอกว น, นิพนินพาน อ, อยู่ตรงไหนหมดกิเลสค่ะอยู่ที่ใจที่หมดกิเลสอ๋อนิพานอยู่ที่ใจเหรอไม่ใช่ค่ะใครมีใจคนนั้นก็มีนิพานอันนิพานคืออะไรกัน ใจใจที่ <ừ m. S 2> บริสุทธิ์มันจะนำไปไปไ ป, ไป ม, มันทำอะไรัยอย่า ง, งสิ้นอ้าวขณะจักคูวิญญาณเกิดก็ไม่มีราคะโทสะโมหะก่อนนะบุญยังน้อยยังมไม่ถึงเออจิตเห็นเนี่ยขณะมาหลับสนิทก็ไม่มีกิเลสนะถ้าหลับสนิทนะไม่ฝันเลยนะไม่มีกิเลสนะตอนนั้นอ่ะตอนนี้ขณะผวังก็ไม่มีกิเลสจิตเห็นก็ไม่มีกิเลสจิตได้ยินก็ไม่มีกิเลสเลยนะแต่ว่าพอตื่นขึ้นเหมือนเดิมไม่ได้แล้วถ้าได้เชื่อก็เกิดอี เพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่ว่าแค่สิ้นราคะโทสะโมหะและกิเลสแล้วก็เรียกว่านิพพานเพราะอะไรเพราะว่าจากคูวิญ ญ, ญาณก็ไม่มีกิเลสโสตขานะชิวหาวิ ญ, ญญาณก็ไม่มีกิเลสทีนี้ก็บอกว่านิพพานเนี่ยคือเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งเป็นที่สิ้นกิเลสมือนกันเถอะเป็นธรรมะอย่างหนึ่งที่เป็นไปเพื่อสิ้นกิเลสทีนี้ถามว่ากิเลสเนี่ยนะหรือว่านิพพานเนี่ยคือความสิ้นตัณหาเนี่ยน ะ, ะพระองค์ตรัสว่า ความสำรอกตัญหาโดยไม่มีส่วนเหลือเนี่นะมุติความหลุดพ้นจาโคการสละปฏินิสโคเนี่นะการสละคืออนาลาโยความไม่มีอะไรเนี่ยนะพวกนี้เป็นชื่อของตัญหาทีนี้ถ้าถามว่าตัญหาจะดับดับที่ไหนว่างั้นเถอะไอไอนิโรธเนี่ยถ้าจะทำให้แจ้งทำให้แจ้งที่ไหนให้แจ้งที่ไหน พระองค์ตรัสว่าตันหาเมื่อเกิดที่ไหนก็เพึงดับที่นั่นตันหาเมื่อจะเกิดเกิดที่ไหนสิ่งใดเป็นที่รักเป็นที่พอใจในโลกนะตันหาเมื่อจะเกิดก็อาศัยสิ่งนั้นเชื่อไหมในการลืมตามมองเห็นทั้งหมดนะอะไรเราชอบที่สุดสนี่นะลืมตาเลยนะลืมตามองเห็นเนี่ยถามว่าในสิ่งเนี้ยลืมตามแล้วเราชอบอะไรที่สุดเชื่อไหมเราชอบอะไรมากที่สุด เอาเนี่ยลืมตามองเห็นผููถวานตาหูเอาไว้ก่อ น, นจจเนี่ยนะเอาไม่ไม่เอามาไม่ผ่านไงไม่เปลี่ยนเรื่องด้วยอะ่ะ <c oughs> เบนประเด็นไม่ไปเนี่ ย, ยางานนี้ถ้าลืมตามองเห็นเนี่ยเราชอบอะไรที่สุดอ่ะแน่ใจนะถ้าชอบสีจริงๆหลับตาไม่ได้หรอก <c oughs> ต้องลืมตาดูตลอดถ้าชอบจริงๆ <c oughs> เพราะที่เราชอบจริงๆอ่ะชอบตา เพราะว่าอการเห็นทั้งหมดเป็นเรื่องของคนมีตาใช่ไหมไอ้ที่ชอบจริงๆเลยในโลกของทาวารตาทาวารเห็นเนี่ยเราชอบตาที่สุดเลยเพราะถ้าสมมุติว่าของงามๆในโลกเยอะแยะไปหมดแต่ถ้าเราตาบอดเนี่ยถามว่าเราเขาพูดถึงสีนั้นๆถามว่าเราเอาไหมไม่เอาเฉยๆเลยนะไม่สนใจเลยซ้ําไปเนี่ยนะเขาบอกว่าถ้าถ้าเราเกิดมาตาบอดเขาชมแต่เรื่องวิวทิวทัศน์เป็นต้นเนี่ยนะไม่เกิดประโยชน์สําหรับเราเลย เพราะฉะนั้นถ้าจะถามว่าอะไรเป็นสิ่งที่รักที่ชอบใจที่สุดเลยนะคืออายตนะภายในก่อนเนี่ยนะโดยเฉพาะถ้าในโลกทวารตาเกี่ยวกับเรื่องราวของการเห็นทั้งหมดที่เราติดจริงๆคือตาเนี่ยนะเพราะตานี่แหละเป็นปัจจัยให้ให้เกิดการเห็นได้ตานี่เป็นใหญ่ในการเห็นเรียกว่าจากักรขนสีเนี่ยนะเป็นใหญ่ในการเห็นที่เราติดจริงๆคือติดตาทีนี้นถ้าโลกของการได้ยินล่ะที่เรายึดติดที่สุดนี่คือยึดติดหู ในโลกของการรับรู้กลิ่นทั้งหมดเลยนะเราติดใจในจมูกมากกว่าก็บางคนก็บอกว่าถ้าติดใจในกลิ่นสิวันไหนเป็นหวัดดูนะกลิ่นอะไรก็กลิ่นนะคมันจะหอมขนาดไหนก็ไม่สนใจถ้าในโลกของทางลิ้นนะเราติดลิ้นที่สุดเลยนะในเรื่องรสเนี่ยอาหารจะอะร่อยขนาดไหนลองป่วยดูนะป่วยแล้วเนี่ยอาหารเนี่ยแทบจะไม่ไม่สนใจเลยนะอาหารบางอย่างที่เคยชอบเนี่ยได้กลิ่นก็แทบอาเจียนยใช่มถ้าป่วยนะ อย่าว่าเอามาแตะลิ้นเลยได้กลิ่นเนี่ยก็แทบอาเจียนเลยเพราะนั้นเราติดจริงๆก็ติดที่ลิ้นถาภายนะ่ะถ้าภายนอกจริงๆเนี่ยที่เราติดจริงๆก็คือติดในในกายเรื่องราวทั้งหมดในโลกนี้ที่รับรู้นะเราไม่ค่อยติดในเรื่องอะ่ะที่เราติดจริงๆคือติดในในใจเพรนั้นอายตนะภายในหคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะเป็นปิยรูปเป็นสาตรูปเป็นที่รักที่พอใจที่สุดของ ของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะของสัตว์ทั้งหลายเพราะมีตานั่ยแหละจึงชอบสีเพราะมีหูนั่ยแหละจึงหาเสียงมาสนองหูเพราะมีจมูกนั่ยแหละจึงหากลิ่นมาสนองจมูกเพราะมีลิ้นนั่ยแหละต้องการหารสมาสนองลิ้นเพราะมีกายเนั่ยแหละต้องการหาพวกโพธพารมเสื้อผ้าเครื่องใช้สอยเป็นต้นเพื่อสนองกายเนี่ยนะเพราะมีใจนั่ยแหละเลยหาเรื่องราวต่างๆมาคิดเพื่อสนอง สนองใจเพราะฉะนั้นที่ยุติดคือตาหูจมูกเลนกายใจอันนี้เป็นที่รักเป็นที่พอใจในโลกเอาแล้วนิพพานอยู่ตรงไหนแล้วเมื่อกี้นิพพานอยู่ที่ตาเอาใครมีตาก็นิพพานกันหมดไม่ใช่อยู่ที่หูจมูกเลนกายหรือใจเอาใครมีใจก็นิพพานกันหมดพญาตก็มีมีใจนะแต่ก็ไม่มีเลยในยนั้นนะอ่ะอ่านะความสอาดทีนี้บอกว่าตันจกักรคูเกิดจากอะไร จักรโเกิดจากอะไรอ่นนะเหตุใกล้เหตุใกล้ของจักรโคคือมื่อเช้าว่าไงมหาภูตารูปเนาะเป็นเหตุใกล้ของจักรโคใช่ไหมมหาภูตรูปหูเหตุใกล้ของหูก็มหาภูตารูปจมูกเล้นกายก็มีรูปเป็นเหตุใกล้เนี่ยนะตาหูจมูกเล้นกายนะมีมหาภูตารูปเป็นเหตุใกล้ใจมีอะไรเป็นเหตุใกล้ใจมีอะไรเป็นเหตุใกล้ให้เกิด มีนามกับมีรูปเป็นเหตุใกล้เนี่ยนะแต่ถ้าตาหูจมูกเลนกายเนี่ยนะก็มีรูปด้วยนามด้วยส่วนหนึ่งเป็นเหตุใกล้เนี่ยนะก็คือนามรูปเป็นเหตุใกล้แห่งอายตนะทั้งหกเหล่านี้ใช่หัหยแล้วนามรูปมีอะไรเป็นเหตุใก ล, กล้วิญญาณเป็นเหตุใกล้โดยเฉพาะถ้าแรกเกิดเลยก็ปฏิสนธิวิญญาณเป็นเหตุใกล้ถ้าขณะนี้ก็รวังขวิญญาณเป็น เหตุใกล้หรือว่าจักคูวิญญาณโสตคานาชิวหาสัมปติชนะสันติระเป็นต้นเนี่ยนะวิญญาณพวกนี้เป็นเหตุใกล้แห่งนามรูปทั้งหลายเหล่านี้เอาแล้ววิญญาณมีอะไรเป็นเหตุใกล้เจตนากรรมนาดิตเป็นเป็นเหตุใกล้เอาแล้วกรรมนาดิตมีอะไรเป็นเหตุใกล้อวิชาเป็นเหตุใกล้อวิชาเอ่ออวิชาเนี่ยกับเป็นปัจจัยก็เลยทำให้มีตานหาตานหาก็เลยทำกรรมเลยใช่ไหม จริงถ้าบอกว่าอาวิชชาเป็นเหตุใกล้ให้เกิดเจตนากรรมเนี่ยนะเรียกว่าสังขารสังขารทําให้ปฏิสนธิมานําเกิดเนี่ยนะเกิดเป็นอะไรก็ตามสมควรเกิดเป็นพยาศก็ว่าไปให้เกิดเป็นคนก็ว่าไปเป็นต้นเนี่ยนะก็อันนั้นเป็นปฏิสนธิวิญญาณปฏิสนธิวิญญาณทําให้มีนามรูปนามรูปนี่แหละก่อให้เกิดยตนะสลายยตนะเป็นปัจจัยจึงมีภาษเาเนะ เอาแล้วถ้าเขาหลับตาแล้วมีภาษาไหมล่ะมีไห ม, มอ้มมอาวถ้าใช้คําว่าภาษาคืออะไรความประชุมของธรรมะสามอย่างใช่ไหมจากขูรูปจิตเห็นเรียกจากขูสัมผัสหูเสียงจิตได้ยินเกิดขึ้นเรียกว่าโสตสัมผัสเนี่ยนะจะโมกลินขานาวิ ญ, ญญาณเกิดขึ้นสมอย่างประชุมเรียกว่าขานาสัมผัสเล้นรสชิวหาวิ ญ, ญญาณเกิดขึ้นเรียกว่าชิวหาสัมผัสกายโพธะเกิดกายญวิ ญ, ญญาณเรียกว่า กายสัมผัสมโนกับธรรมะเนี่ยนะเกิดมโนวิญญาณความคิดขึ้นอันนั้นเรียกว่าภาษะเรียกมโนสัมผัสภาษาเป็นปัจจัยจึงมีอะไรนะเวทนาทั้งที่เป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาอันทางตาเนี่ยนะเป็นปัจจัยให้เกิดสุขเวทนาทุกขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาทางหูภาษาอันนี้เป็นปัจจัยทั้งที่เป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาและ ทุกคมสุขเวทนาทั้งจมูกอ่ะก็ได้รับเวทนาทั้งที่เป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาและอทุกคมสุขเวทนาทางลิน้นอ่ะทั้งที่เป็นสุขเวทนาทุกทุกเวทนาทุกคมสุขเวทนา ท, น ท, น ท, นทางกายและทางใจก็เหมือนกันใช่ไหมถ้ารับเรื่องเรื่องราวหนึ่งเรื่องขึ้นมานะเรื่องบางอย่างเป็นที่ตั้งแห่งสุขบางอย่างเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์บางอย่างเป็นที่ตั้งแห่งโอเบขาถ้าเวทนาสมคูณพรรษา6เป็นเท่าไหร่ เวทนาส8ปดนะถ้าสุขเวทนาจิตส่วนใหญ่ต่อด้วยจิตชนิดไหนโลภะใช่ั้ยตัณหาก็เกิดได้ใช่หัหยถ้าทุกขเวทนาหละโทสะแต่ก็เป็นปัจจัยแกโลภะอยู่ดีเอาเจอของไม่ชอบแสดงว่าอยากได้ของบางอย่างที่ชอบแทนใช่ไหมเพราะฉะนั้นถึงทุกขเวทนาได้รับก็เป็นปัจจัยแก่ตัณหาแล้วถ้าเฉยๆลเห็นอะไรเฉยๆเอา ก็ไม่อยากเอาอีกนะ่ะจะเอาไอดีอีกนั่นแหละท่านตันหาก็เพราะฉะนั้นทั้งสุขเวทนาทุกขเวทนาทุกขมสุขเวทนาก็เป็นปัจจัยแก่ตันหานะทวารหูก็เหมือนกันสุขเวทนาทุกเวทนาทุกขมสุขเวทนาก็เป็นปัจจัยแก่ตันหาจมูกลิ้นกายใจแต่ละอย่างก็เป็นปัจจัยแก่ตันหาหมดเลยนะถ้าจะว่าไปให้เยอะนะเวทนาสามคูณตันหาเป็นตันหาเท่าไหร่เนี่ย ที่จริงแต่ถ้าพูดย่อยๆก็รูปปัญหาสาธาปัญหาคันธาปัญหาราษาปัญหาโพธภาษปัญหาและธรรมะปัญหาตัญหาหกเนี่ยนะที่มีเวทนาในทวารหกเป็นปัจจัยทีนี้พอเวทนาเกิดเอ่อพอตัญหาเกิดอะไรเกิดตัวตัญหาอนั้นเนี่ยนะจะเรียกกามุปาทานก็ได้เมื่อตัญหาเกิดเนี่ยนะทิฏฐิก็เกิดขึ้นเนี่ยนะทิฏฐินี้เป็นสัมปัญยุตปัจจัยกับตัญหา ทิฐิอันนั้นเป็นที่ถูปาทานก็มีถ้าเช่นถ้าเป็นไปกับทิฏฐิหกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ลักษณะของที่ถูป่าทานถ้าเห็นชัดๆว่าเที่ยงหรือศูนย์อันนั้นเป็นที่ถูป่าทานเนี่ยนะถ้าเป็นศีรพัตุปาทานก็เกี่ยวกับข้อปฏิบัตินะถ้าเห็นแบบนี้นะเป็นปฏิบัติแบบนี้เห็นแบบนั้นเป็นข้อปฏิบัติแบบนั้นแบบนั้นไปอันนั้นก็เป็นลักษณะของศีรพัตุปาทานแต่ถ้าสําคัญว่าตาเป็นอัตตาจิตเห็นเป็นอัตตาภาษาเวทนาเป็นต้นเป็น อัตตาหรือเป็นของอัตตาหรือว่าอัตออตามีในสิ่งเหล่านี้เรียกว่าอัตวาทุปาทานอุปาทานเกิดทีนี้พอยึดถือแบบนี้แล้วอ่ะอะไรเกิดกัไหมพูดออกมาก็อะไรเป็นกรรมอะไ ร, ร, รพูดออกมาเป็นวจีกรรมวิญยัตมาทางกายเนี่ยยกมือเนี่ยเป็นอะไรกรรมกายกรร ม, รรมนั่งใช้เฉยอะไรกรรมมนโนกรรมกรรมพวกนี้มีผลไหม มีผลใช่ไหมกรรมอันนี้ที่มีผลต่อไปผลอันนี้แหละเป็นฤฤฤฤเรียกว่าภพเนี่ยนะผลของกรรมพวกนี้เรียกว่าภพการเกิดขึ้นครั้งแรกในภพนั้นนั้นเรียกว่าชาติเนี่ยนะผลของกรรมเนี่ยเรียกว่าภพไอภพนั้นนั้นที่เกิดครั้งแรกในภพนั้นนั้ในชาตินั้นนั้นเรียกว่าชาติชาติก็เป็นปัจจัยจึงมีชราชราเป็นปัจจัยจึงมีมรณนะโสกปริเทวะทุกขโทมนัปและอุปาญาต กระแสแห่งวัตทุกก็บันเนินไปอย่างนี้เนี่ยนะแล้วชีวิตในอดีตอวิชชาตันหกรรมเป็นปัจจัยชีวิตในปัจจุบันก็วิญญาณนามรูปสลายยตนาภาษาและเวทนาพอได้อ า, อาศัยสิ่งเหล่านี้ทํากรรมใหม่เลยนะทั้งตันหาอุปาทานกายกรรมวจัจจิกรรมมโนกรรมพวกนี้กรรมใหม่หมดเลยเพื่ออะไรเพื่อชีวิตต่อไปในอนาคตเพราะนั้นเวลาคุณลงเขาเห็นอะไรบอกนี่เพื่อชีวิตคาว่างั้น บอกเออก็เข้าถึงสัจจะดีเหมือนกันบเพื่อชีวิตเหมาอนกันนนะเวลาคนแบกไทแบกไล่วัวไล่ควานี่บอกเพื่อชีวิตทั้งนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นยืนเดินนั่งนอนก็เพื่อชีวิตเหมือนกันนะเพื่อชีวิตที่ต้องเกิดใหม่จริง น, นนะทํากายกรรมวิจิกรรมเนี่ย น, นะขนาดไหนว่างเว้นจากชีวิตบ้างก็ชีวิตนี่แหละอย่างเนี้ยเป็นไปอย่างนี้นะถามว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยน่าปรารถนาไหมนี่นะ ถ้าตอบด้วยความบริสุทธิ์ใจถ้าตาพูดถ้าคิดตามคําสอนนะบอกไม่น่าปาถนาถ้าคิดเอาเองนะออืก็ดีเนี่ยไม่ได้น่าเกียดอะไรเลยใช่ไหมชอบเนี่ยนะแต่ถ้าบอกว่าจะไม่เป็นไปแล้วนะชีวิตจะไม่เป็นไปแล้วนะโอ้ในชักไม่ค่อยสนุกเลยนะเนี่ยนะถ้าบอกว่าตาจะหมดแล้วนะไอชักแย่แล้วนะเดี๋ือเราเนนะจะโมกลิ้นกายถ้าบอกจะหมดใจด้วยชักชักนั่งนิ่งไม่ได้แล้วนะดิ้นเร่าๆนี่ครับเนี่ แต่ถ้าหากว่ายังยินดีในสิ่งเหล่านี้อยู่ยังไงวัตตก็ยังเป็นไปอย่างนี้แหล ะ, ะวัตต์บางอย่างนะถ้าอย่างการมาภูมิเนี่ยมีทั้งตาหูจมูกเลนกายใจถ้าพรหมนะมีเฉพาะทวารไหนบ้างถ้าพรหมนะพรหมมีตามีหูแล้วก็มีใจสามทวารถ้ารูปประพรมมีทวารเดียวคือทวารใจเนี่ยนะ ในทวารทั้งหลายเหล่านี้หรือภาษายตนะเหล่านี้คือตาหูจมูกลิ้นเหล่านี้เนี่ยนะมีนามรูปสละมีนามรูปมีวิญญาณมีสังขารมีอวิชาเป็นต้นเป็นปัจจัยทีนี้ถ้าจะดับสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะคำว่า น, นิพานเนี่ยแปลว่าดับหรือแปลว่านิโรธสำ ROC ส่วนสิ่งเหล่านี้ออกทั้งหมดเลยอะสำ ROC อ, อย่างไรสาําร o c ด้วยมรรคและ ว, วิปัสสนานะ มันก็อวิชายตเวยอศยาศะวิราคานิโรธาสังขารานิโรโธนะก็คือด้วยการสํารอกอวิชาโดยไม่มีส่วนเหลือทําวิชาให้เกิดขึ้นอวิชาเกิดขึ้นว่าเช่นเกิดขึ้นว่ายังไงจากโคเนี่ยเป็นทุกขสัตว์ใช่ไหมจากโคเนี่เป็นทุกขสัตว์ตันหาในก่อนเนี่ยนะตันหาวิชากรรมเป็นต้นในก่อนอะ่ะเป็นเหตุให้เกิดจากโคอันนั้นเป็นสมุทัยสัตว์นะอันเนี้น ถ้าสิ้นตันหาตาก็ไม่มีใช่ไหมอันนั้นเป็นสัจจะอะไรนิโรศนะข้อปฏิบัติที่ทาปริญญาในตาทั้งสามเลยนะยาตะปริญญาในจกักขุตีรณะปริญญาในจกักขุปหานะปริญญาในจกักขุตัวปัญญาที่ไปทำอันนี้อยู่ในกลุม่มสายมกษัตร์ถ้าทำปริญญาในจกักขุทำไง ต, ต้องรู้มันเกิดยังไงระดับยังงอ่าในชั้นต้นให้รู้ก่อนว่าจักรสุคืออะไรเจ้ไหมจักรสุคืออะไรจักรสุคือความใสของมหาภูตรูปซึ่งมีกรรมเป็นเหตุใกล้เนี่ยนะเป็นปัจจัยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นความใสนั่นแหละเรียกว่าจักขู่ภาษาธะมีมหาภูตรูปเป็นเหตุใกล้ เ, กลเนี่ยนะแล้วยังมีรูปที่ประกอบบริวารของรูปนั้นคืออะไรบ้าง เนี่ยนะอุปาทายรูปส่วนอื่นๆมาประกอบเช่นชีวิตอาหารเป็นต้นเข้ามาหล่อเลี้ยงเนี่ยน ะ, ะแล้วยังมีกลุ่มอาหารเชรูปจิตแตชรูปเป็นต้นเนี่ยนะเช่นกลิ้งซ้ายกลิ้งเปลือกตาไปมาได้อันนี้เป็นส่วนของจิตแตชรูปเนี่ยนะอาหารเชรูปก็กลุ่มพวกวิตามินทั้งหลายที่เข้ามาบำรุงในส่วนนั้นๆก็เป็นอาหารเชรูปเนี่ยนะส่วนอุณหภูมิเนี่ยนะพวกความดันทั้งหลายแหลในนั้นอ่ะทั้งหมดนั้นเป็นกลุ่ม ปุตชโรกเนี่ยนะอันนี้เราให้รู้ก่อนว่าสิ่งเนี้คืออะไรก่อนนะจกักรคืออะไรก่อนทีนี้มีใครอยู่ในจกักรคุ้มไหมถ้าพูดถึงจักรสูแล้วพูดถึงองค์ประกอบเหล่านี้มีใครอยู่ในนั้นไหมไม่มีถามว่าสิ่งเหล่านี้จริงไหมจริ ง, รงเป็นสัจจะไหมเป็นสันรรจจะอะไ ร, รอ๋อทุกขสัจนะทุกขสัจควรควรกําหนด ร, นนดรู้ใช่ไหมกําหนดยังไงเนี่ยกระพริบตาแล้วเออนี่นีมีตาละอย่างนี้หรือเปล่า ไอ้ถูกหมดถูกไงเารยงงไไกิดใช่ไหมก็เมื่อกี้บอกว่าจักรโเนี่ยนะมีอะไรเป็นจักขายตนะเนี่ยนะถ้ากสลายตนะคือจกักรโหรืออายตนะคือจกักรโมีอะไรเป็นปจัจจัยมหาภูตรูปมีรูปเป็นเหตุใกล้หรือมีนามเป็นเหตุใกล้และนามนั้นมีอะไรเป็นเหตุใกล้มีวิญญาณแต่ ก, กรรมวิญญาณเป็นเหตุใกล้ของของรูปอันนี้เนี่ยน ะ, ะกรรมวิญญาณมีอะไรเป็นเหตุใกล้ก็มีหลังขานมี อวิชานั่นแหละเป็นเหตุไกลด้วยประการอย่างนี้เพราะในอดีตมีอวิชชาจึงทำกรรมแล้วก็ตันหาในสีเนี่ยนะแล้วก็พอะเป็นปัจจัยให้มหาภูตรูปเกิดจากขประสาทะเนี่ยนะแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยนะชีวิตตอนนี้เนี่ยนะเราสร้างตาอยู่ใหม่ไหมสร้างตาใหม่หมอา้าวเป็นไง คือถ้าหากว่าอาศัยตาและชอบสีนะนี่แหละตันหาอันดับแรกก่อนเพื่อให้มีตาอันต่อไปเนีย่ยนะถ้าตันหาชอบสีเนี่ยนะถ้าเห็นแล้วเออชอบไปหมดเลยอันนี้คือสมุทัยของเพื่อที่จะมีตาอันต่อไปเลยถ้าหากว่าไม่รู้ความจริงของสิ่งเหล่านี้อันนี้เป็นอวิชาเห็นแล้วอยู่เฉยๆมีไหมอันน่ะเห็นแล้วเฉยก็เป็นมโนกรรมไง ไม่คือไอคำเฉลยคือไม่ขยับทางกายทางวาจาเลยนะเห็นอันนี้ก็เป็นมนโนกรรมพูดเป็นวจีกรรมขยับตัวออกมาเป็นกายกรรมเจตนาเหล่านี้เพื่อให้มีอะไรมีตาอันต่อไปทีนี้ทํายังไงจะดับตาอันต่อไปได้ไอความดับตานั่นแหละเรียกว่านิพพานทีนี้ทํายังไงจึงจะดับได้<ม>ก็ดับด้วยการพิจารณาจากขู่เนี่ยนะพร้อมทั้งเหตุเกิดและที่ว่าไปเนี่ยนะ แต่ถ้าจักขูอันนี้จะดับต่อไปถ้าถ้ารู้ถ้ามีวิชานะจักขูก็ไม่มีอีกใช่ไหมถ้ามีวิชาก็ไม่เป็นกรรมถ้ามีวิชาก็ไม่มีโรคปัจจันหาเป็นต้นเนี่ยนะถ้าวิชาดับจักขูนี้ก็ดับถ้าตันหาอั น, นี้ดับจักขูก็ดับถ้ากรรมดับจักขูก็ดับเห็นไหมทีนี้ทํำยังไงอ้ที่ว่าจึงจะดับไปเห็นไหมพระองค์บอกว่า เรากล่าวความสิ้นอาสวะสําหรับผู้รู้อยู่ผู้เห็นอยู่นะเราไม่กล่าวความสิ้นอาสวะสําหรับผู้ไม่รู้ไม่เห็นถามว่ารู้อะไรเห็นอะไรจึงจึงดับอาสวะได้จึงอาสวะจึงสิ้นได้เนี่ยนะมรรคผลจึงจะเกิดได้รู้เหตุเกิดและความดับเนี่ยนะรู้ว่าเออเนี่ยนะถ้าจักรครูจะเกิดเพราะอะไรเกิดนนถ้าถ้ารูปที่จริงถ้ารูปก็เอาหมดเลยแต่นี้เราแยกส่วนมาเฉพาะส่วนของจักรคูเพราะวิชาเกิดรูปจึงเกิดเพราะตัณหาเกิดรูปจึงเกิดเนี่ยนะ ครับอวิชชาเกิดจากขู่จึงเกิดตันหาเกิดจากขู่จึงเกิดกรามเกิดจากขู่จึงเกิดอะไรอีกอาหารเกิดจากขู่จึงเกิดแล้วก็นิพพติคือชาติของจากขู่คือเขาเขาเกิดอย่างนี้แหละเนี่ยนะถ้าจะดับก็อย่างว่าไปถ้าอวิชชาดับจากขู่ก็ดับถ้าตันหาดับจากขู่ก็ดับถ้ากรามดับจากขู่ก็ดับเนี่ยนะถ้าอาหารดับจากขู่ก็ดับแล้วก็ความไม่เที่ยงความแปรปของจากขู่ันนั้นทีนี้อาศัยข้อปฏิบัติอะไรแหะ ก็เจริญความรู้อันนี้นี่แหละเนี่ยนะสติที่ระ ล, ลึกรู้ตามตามคําสอนอันนั้นไปเนี่ยสติอันนั้นเป็นสติสัมโพชงอ่ะนะก็เจริญสติอันนี้แหละเนี่ยนะพะงศ์บอกว่าเจริญสติอันนี้อาศัยวิเวกอาศาัยตัฐังข้วิเวกวิคขำพนาวิเวกเนี่ยนะสมุทเฉทวิเวกเจริญสติอันนี้อาศัยวิเวกว่า ง, งั้นเถะอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละเนี่ยนะ ทีนีสติที่ระลึกอย่างนี้แล้วปัญญาก็วิจัยสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะวิจัยโดย เ, เหตุเกิดความดับอัศาธาอาทีนวะแล้วก็นิสระณะทีนี้ในส่วนของจักรูเนี่ยนะมีโทษไหมมีไหมจักรูเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงสิ่งไดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ว่า ง, งั้นเป็นทุกข์สิ่งไดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความเปรปรนเป็นธรรมนาควรหรือที่จะตามเห็นว่า นี่ของเรานี้เป็นเรานี้เป็นอัตราของเราควรไหมที่เธอจะตามเพลิดเพลินลักษณะนี้ไม่ควรใช่ไหมไม่ควรเพราะฉะนั้นจากขู่ที่เป็นรูปประคันเนี่ยนะจากขู่แม้ที่เป็นอดีตอดีตเนี่ยนะอดีตเราก็เคยมีตามาแล้วใช่ไหมเฉพาะชาตินี้ที่เป็นอดีตแล้วตาในอดีตช า, าติมีกี่ดวงมาแล้วเเกิดมากี่ชาตินะสมมติว่าชาติละสองลูกใช่ไหมชาติมีดวงตาละสองดวงสองดวงถ้าเกิดสักล้านชาติมีกี่กี่คู่ละ มีสองล้านคู่แล้ ว, วลลใช่สองล้านคู่นะถ้าสองล้านคู่ก็สี่ดูสี่สี่ล้านถ้เป็นแมลงถ้าเป็นแมลงนี่มีมากกว่า น, นั้นใช่ไหมแมลงช น, นิดนึงอาจจะมีตาประกอบเป็นพันพันตาโอ้โหต่อข้างกันนะอันนันก็ตา ม, มากกันนั้นเอี ก, กนนะถ้าเหมือนตาสับประรดอย่างเงี้ยนะเคอให้รู้ว่าเออเนี่ยนะตาในอดีต ถ้าพูดเก็บลูกมะนาวเนี่ยนะสมมุติถ้าตาเราเหมือนลูกก็เท่ากับเก็บลูกมะนาวไว้นะสงสัยเก็บลูกตาไว้เยอะมหาศาลคิดดูนะว่าต้องร้องให้เอาน้ําตาเป็นน้ํามหาสมุทรต้องใช้ตากี่คู่จึงจะร้องให้มาได้ขนาดนั้นได้พบต่างๆเหล่านี้มันพยาดนี่หมดติดได้ปฏิสนธิเพราะฉะนั้นไปหาพระพุทธเจ้าในไข่พยาธิหาไม่เจอแน่นอนเนี่ยนะแต่ไปหาพระสมบัติในไข่พยาดนี้ไม่ดูนะต้องดูว่าใกล้จะจุตินี่คิดอะไรอยู่ คิดไม่ดีเนี่ยนะอาจจะเป็นสัตว์ประเภทเกิดที่มืดตายที่มืดเนี่ยแย่นะเพราะว่าอบายยังไม่ได้ปิดเลยนะถ้ายังไม่ได้เป็นทศ ร, ราบันเนะี่ยอยากคิดว่าปิดอบายนะอย่านิ่งใจว่าเออฉันจบแล้วสบายแล้วไม่ไปชั่วแล้วทุกทุกขโตนี่ไม่ไปอีกแล้วต้องดูว่าวันวันนี้พูดอะไรถ้าพูดเพอเจอร์ก็จะทุกขโตอยู่มันได้ไปดีหรอกเนี่ยนะ แต่ถ้าสุขโตเลยไปตามมาริมักมีองแปดเออไปดีจริงว่า ง, งั้นเชื่อแล้วแต่ถ้ายังกายทุจริตพระจีทุจริตมโนทุจริตกรรมสกตามไม่มั่นคงสติสัมปชัญญะหลงหลงลืมลืมปั้มปั๊มเปร์เปอถ้าอย่างนี้ก็โอ้ตัวใครตัวใครแล้วกันนี้ว่างั้นก็ทําบุญเอาไว้กรวดน้ําให้ตัวเองบ้างก็แล้วกันอันนี้ก็หมดเวลาแล้วเคยได้ยินพระนนท่านว่าไงอาศัยตันหาละตันหาอาศัยมานะละมานะ อาศัยอาหารและอาหารสามอย่างเนี่ยนะก็น่าคิดว่าความปรารถนาก็ไม่ได้เป็นเรื่องน่ารังเกียจเสมอไปแต่ทีนี้ว่าเอาปรารถนาอะไรเนี่ยนะน่าคิดกว่าเพราะว่าถามว่าทำไม่ให้อยากได้ไหมบางคนเนี่ยนะเขาบอกว่ารังเกียจไอคําว่าอยากมากทีนี้ก็พยายามไม่ใช้คําว่าอยากแต่ก็อยากเท่าเดิม เพียงแต่กลบเกลือนไอ้คำว่าอยากออกไปเนี่ยนะโนะดยการเลี่ยงบ้างใช้ศัพท์บ้างอะไรบ้างเนะี่ยแต่ทีนี้ถ้าหากว่ารู้ความจริงของคําว่าอยากนั้นก็ไม่น่ามีปัญหา เ, เปลี่ยนอารมณ์ให้เขาซะเนี่ยนะแต่ก็สมมุติว่าความต้องการมันมีเท่าเดิมเหมนะฉันท่ามีเท่าเดิมอ่ะก็เปลี่ยนอารมณ์ของฉันทะนั้นซะสมมุติถ้าเคยมีฉันท่าในรูปเสียงกลิ่นรสก็ให้ไปเป็นธรรมฉันทะแทนเนี่ยนะมันก็ชอบใจยอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละ ก็เปลี่ยนไปเป็นเรื่องของธรรมะแทนยกตัวอย่างคนที่ชอบอ่านหนังสืออยู่แล้วเนี่ยนะเราก็เปลี่ยนหนังสือให้อ่านอย่าไปทิ้งไอ้สิ่งที่เขาชอบอ่ะเขาชอบก็ชอบดีอยู่แล้วก็เปลี่ยนหนังสือหาหนังสือพระธรรมหาหนังสืออะไรให้อ่านแทนนะหาหนังสือที่มีประโยชน์อ่านไปแทนคําว่าปรารถนาเนี่ยนะในมงคลข้อหนึ่งอธิบายคําว่าอัตตะสัมมาปณิที่นี่นะก็คือความปรารถนาที่ตั้งเอาไว้โดยชอบนั่นแหละเนี่ยนะ ในสังขารูปฏิสูตรเนี่ยนะมัชฌิมนาการเนี่ยบอกไว้เลยว่าควรตั้งความปรารถนาทำกุศลสักอย่างแล้วก็ให้ตั้งความปรารถนาแล้วก็ในคำพีมหานิเทศก็พูดถึงความปรารถนาเหมือนกันแต่ความปรารถนาของท่านเป็นการปรารถนาวิวัตเนี่ยนะแล้วถ้าหากว่าความปรารถนาที่ถูกต้องอ่ะนะควรควรตั้งเลยนะเรียกว่าอัตตะสัมมาปณิเทศเนี่ยควรตั้งเอาไว้เลยแต่ว่าการตั้งความปรารถนาเนี่ยนะ ถามว่าต้องทาวิจีวินยัตไหมก็ต้องดูกาละและสถานที่ด้วยเหมือนกันเพราะว่าสิ่งที่เราปรารถนาหลายคนอาจจะไม่ชอบการเล่าให้คนอื่นฟังในสิ่งที่เขาไม่ชอบไม่ใช่เป็นเรื่องที่ดีเนี่ยนะเพราะฉะนั้นการที่เราจะพูดออกไปสักอย่างหนึ่งว่าเราชอบอะไรหรือเราปรารถนาอะไรเราต้องการอะไรเนี่ยนะก็ต้องดูกาละและสถานที่เป็นต้นนั่นเองเพราะว่าวาจาสุภาษิตพระองค์ยังให้เลือกอะไรเลือกการใช่ไหม เลือกการเลือกสถานที่เลือกบุคคลเนี่ยนะแล้วพระพุทธเจ้าสรรเสริญสั บ, บรุษเนี่ยนะที่รู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตนรู้จักประมาณรู้จักการรู้จักชุมชนเนี่ยนะแล้วก็รู้จักความเหมาะสมเป็นต้นคนที่รู้จักกาลเทศะเป็นต้นเหล่านี้เป็นเป็นสิ่งที่ดีนั้นความปาถนาเนี่ยตั้งไปเท่ารของมาไม่ว่าอะไรหรอกถ้าตั้งเพื่อวิวาตาัตนะ แต่ถ้าตั้งเพื่อวัาตาะก็ตกของใครก็ของใครแล้วเอาไปทบทวนพุทธคุณบทว่ า, าระหังอีกครั้งหนึ่งนะระหังคือหนึ่งนะไกลาจากกิเลสพร้อมทั้งวาสนาด้วยอริยมรรคเนี่ยนะที่โพธิมณฑลสองกำจัดค่าสึกคือกิเลสเนี่ยนะซึ่งเป็นค่าสึกที่เกิดขึ้นก็ก่อให้แต่เกิดความเสียหาย นนะกิเลสเนี่ยสร้างความเสียหายให้ทั้งโลกนี้ด้วยโลกหน้าด้วยเป็นต้นนั่นเอง 3. หักเสี่กรรมแห่งสังสาระจักรนะทีนี้ในสี่กรรมแห่งสังสาระจักรนั้นคนที่จะเข้าใจคาว่าสังสาระจักรต้องรู้จักปฏิจจสมุปบาทเป็นอย่างดีเนี่ยนะรู้อะไรเป็นเหตุเป็นผลความเป็นไปของสังสารวัฏนี้เป็นไปในลักษณะใด น, นะแล้วเราก็พูดถึงพุทธคุณบทนี้เนี่ยดูจะนานกว่าเพื่อนนะนะ ค้างยาวมากเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เอาแต่พอสังเขตตอนจบก็พอย้อนทบทวนใหม่ว่าคําว่าซี่กรรมแห่งสังสาระจรคําว่าซี่กรรมเนี่ยต้องนึกถึงวงล้อใช่ไหมวงล้อเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างประกอบไปด้วยดุมซี่กรรมแล้วก็กงแล้วก็ตัวรถทีนี้ถามว่าดุมเป็นชื่อของอวิชาเดี๋วนซี่กรมเป็นชื่อของ นะกรรมสังขารวิญญาณ น, นามรูปสลายตนาภาษาเวทนาตันหาอุปาทานพบและชาติส่วนกงเนี่ยนะวงรอบเนี่ยชื่อว่าอนะัชรามรณะตัวรถคือรถคืออะไรรถคือพบสามเนี่ยนะดำเนินไปอย่างนี้ไม่มีเบื้องต้นและไม่มีที่สุดเลยว่าเริ่มตั้งแต่เมื่อไรแล้วก็จบเมื่อไร ในส่วนเหล่านั้นก็มาแบ่งว่าอะไรเป็นเหตุเป็นผลเป็นต้นไปนั่นเองพระผู้มีพระภาคครั้นทรงรู้ธรรมะเหล่านั้นตามความเป็นจริงด้วยธรรมทิฏฐิญาณ น, นี้แล้วนะ<ม>เมื่อทรงเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในธรรมะเมียวิชาเป็นต้นนั้นจึงหลุดพ้นไปเชื่อว่าทรงหักทำลายกำจัดซึ่งซีกรรมทั้งหลายแห่งสังสารจักรมีประการดังกล่าวมานี้ ที่บอกว่าพระองค์เนี่ยนะเป็นผู้ทําลายซี่กรรมแห่งสังสารวัตจักนี่นะชั้นต้นพระองค์มีธรรมทิติยานธรรมทิติยานกับปัจจะยปริคหายานนี่อันเดียวกันอันนี่ยธรรมทิติยานกับปัจจยาปริคหายานอันเดียวกันรู้อะไรรู้ปัจจัยและปัจยุบันปัจจัยเป็นชื่อของเหตุปัจยุบันเป็นชื่อของผลที่เกิดจากเหตุอันนั้นเรียกว่าปัจยุบันรู้ในความเป็นเหตุเป็น เป็นผลเป็นอย่างดีเลยนะเช่นรู้ว่าอะไรอวิชชาเนี่ยนะเป็นเหตุสังขารนี่เป็นผลของอวิชชาเนี่ยนะสังขารเป็นเหตุวิญญาณนี่เป็นผลวิญญาณเป็นเหตุนามรูปเป็นผลคําว่าเหตุในที่นี้ไม่ใช่เป็นชื่อของเหตุตัปัจจัยเสมอไปคําว่าเหตุตัวนี้เป็นศัพท์ที่ใช้แทนคําว่าปัจจัยคําว่าปัจจัยสมุทัยนิทานแดนเกิด ภาวะสัมภาวะเป็นต้นก็อันเดียวกันนั่นเองหลังรู้ปัจจัยและปัจจ ย, ยุบันธธรรมทั้งหลายอย่างชัดเจนถามว่าขันท่ามีอะไรเป็นปัจจั ย, น, ยนะตันหาตรงตรงเลยนะตัวที่เป็นอุปนิสัยที่สำคัญของขันท่าคือตัวตันหาแต่ทีนี้ขันนั้นจะดีหรือจะชั่วจะดาจะเลวจะปณิดขนาดไหนก็อยู่ที่กรรมเนี่ยนะเซ้งกรรมมันนั้นที่ทำเป็นกรรมก็เนื่องจากมี อาวิชาเนี่ยนะการดำรงอยู่ของขันห้านนั้นถ้าในการมาพบต้องอาศัยอาหารเนี่ยนะแล้วก็เป็นไปอย่างนี้แหละดูนะแล้วรู้สึกว่าเวลาพระธรรมที่ศึกษาไปจะเจอตัวตัวสองตัวนี้นะตัวเหตุกับตัวปัจจัยเนี่ย <c oughs> คู่กันเป็นเรื่อเลยนะออกมาในลักษณะที่เป็นเป็นเป็ น, ปนข้อความที่ต่างๆกันแต่สรุปแล้วก็ลงลงว่า ตัวนี้ตัวเหตุตัวนี้เป็นปัจจัยพูดเยอะมากเจนพรเพราะว่ายังไงเสียตัวปัจจยบันหรือตัวผลนี่เป็นทุกขัต์ตัวเหตุนั่นแหละเป็นตัวสมุทัยสยัตว์อย่างนี้เขาเรียกว่าปะวะัตตะความเป็นไปของวัตตเป็นอย่างนี้ความเป็นไปของวัตเวเวตเมื่อรู้ความเป็นไปของวัตตในลักษณะเนี้จึงละมิจฉาทิฐิได้แต่ถ้าหากว่าคํานึงที่ผลอย่างเดียวะนะโดยที่<ม>ปฏิเสธเหตุ อันนี้เป็นกลุ่มกลุ่มไหนกลุ่มประเภทอุเฉทัทิฏฐิเนี่ยนะกลุ่มที่คิดว่าผลเนี่ยที่ยัง่งยั่งยืนอย่างเงี้ยเสมอไปเนี่ยนะกลุ่มมันเนี้ยเป็นในกลุ่มสัสตตทิฏฐิมันก็จะอยู่อย่างเงี้ยเพราะฉะทิ้งเหตุไม่ได้อ่าการพูดถึงตัวขันห้าก็เพื่อลักสกายะทิฏฐิพูดถึงปัจจัยเพื่อลัอุเฉทัทิฏฐิและสัสตตทิฏฐิเนี่ยนะเพราะว่า สังสารวัตมันดำเนินไปในลักษณะนี้ตัวเหตุนั่นแหละกลุ่มสมุทัยศัสตร์ทีนี้เมือเ่อมีเหตุมีผลดำเนินไปอย่างนี้นะสังสารวัตรดำเนินไปโดยความเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นผ ล, เ น, ผ ล, เ, นผลเนี่ยถามว่าแก้ปัญหาอันนี้อย่างไรที่มีตาเนี่ยลืมตาแล้วมองเห็นเนี่ยแก้ปัญหานี้อย่างไรมีหูแล้วหูได้ยินเสียงทำกรรมใหม่เนี่ยนะแก้ปัญหาพวกนี้ได้อย่างไร ฟันก็พูดถึงปวัตตานะมีนะธรรมชาติที่ไม่เป็นไปแบบนี้มีอยู่นะความไม่เป็นไปอัปวัตตะอนิมิตตาอนายุหนะเป็นต้นเนี้ยมีอยู่นะอันนั้นเป็นชื่อของนิพพานนิพพานมีอยู่นะเป็นที่สงบเป็นที่ระงับเป็นที่ดับสิ่งเหล่านี้หมดเลยเป็นที่ดับเหตุและดับผลเหตุผลไม่เป็นไปแบบนี้อีกเลยนะถ้าถึงพระนิพพาน ทีนิพพานนี่จะถึงได้อย่างไร e ก็ต้องอาศัยอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8เป็นความบริบูรณ์ของสิกขาเนี่ยนะเป็นความบริบูรณ์ของสิกขาถ้าอาทิศีละสิกขาจะบริบูรณ์จริงๆเนี่ยนะมรรคไหนอาทิศีลส wow. awesome. ิกขาจึงบริบูรณ์จริงๆโสดาปฏิมรรคกับสกะทาคามิมรรคอาทิศีละสิกขาบริบูรณ์อาทิจิตตสิกขาอาทิปัญญาสิกขามีพอประมาณ ถ้าอนาคามิมักเนี่ยนะอธิศีลสิกขาอธิจิตตสิกขาบริบูรณ์อธิปัญญาสิกขามีพอประมาณถ้าอารหัตมักอธิศีลสิกขาอธิปัญญาสิกขาอธิจิตตสิกขาเนี่ยนะสิกขาสาบริบูรณ์หมดเลยก็สามารถทำที่สุดแห่งทุกได้เพราะฉะนั้นอริยมักทั้งหลายก็คือเป็นความบริบูรณ์ของสิกขานั่นเองเนี่ยนะ เมื่อศิกขาทั้งสามประการที่บุคคลศึกษาได้อย่างบริบูรณ์แล้วก็สามารถเข้าถึงธรรมชาติเป็นที่ไม่เป็นปลายแห่งแห่งวัตตะเหล่านั้นทีนี้ไอสิกขาสามที่จะบริบูรณ์เนี่ยบริบูรณ์ด้วยอาการอย่างไรอธิศีลสิกขาจะบริบูรณ์ด้วยอาการอย่างไรอธิจิตสิกขาจะบริบูรณ์ด้วยอาการอย่างไรอธิปัญญาสิกขาจะบริบูรณ์ด้วยอาการอย่างไรเนี่ยนะถ้าเข้าใจส่วนนั้นได้ก็เข้าใจพระพุทธศาสนาชัดขึ้น เพราะว่าคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็แสดงสิกขาสาเนี่ยนะพระผู้มีพระภาคประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอาาัฏฐพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงก็คือประกาศสิกขาสานั่นเองประกาศอธิศีลสิกขาที่จิตสิกขาและอธิปัญญาสิกขาถามว่าเมื่อเรากล่าวถึงเหตุและผลกล่าวถึงทุกขสัตว์และสมุทัยสัตว์กล่าวถึงเหตุถึงปจัจจัยนี้ประกาศสิกขาไหน ปัญญาสิกขาใช่ไหมถ้าพูดถึงเหตุถึงผลพูดถึงปัจจัยและผลของปัจจัยเนี่ยนะพูดถึงสัจจะทั้งหลายอันนี้เท่ากับกําลังแสดงอธิปัญญาสิกขาต้องไม่ลืมอย่างหนึ่งว่าสิกขาเป็นอนุปปภะสิกขานะปฏิปทาก็มีอนุปปภพปฏิปทากิริยาก็มีอนุปภุภพปฏิปทาอนุปปภพเนี่ยแปลว่าตามลําดับหรือโดยลําดับอธิปัญญาสิกขาก็ต้องมีอธิจิตสิกขาเป็น ปัจจัยให้อธิจิตตสิกขาก็มีอธิศีลสิกขาเป็นปัจจัยให้ส่วนอธิศีลสิกขาเนี่ยนะมีอะไรเป็นปัจจัยก็มีสุตตะเป็นต้นมีการควบสัตว์บุรุษเป็นต้นนั่นแหละเป็นปัจจัยให้สิกขาเหล่านี้เกิดขึ้นเนี่ยนะเมื่อสิกขาเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วก็จะทํากิจกําหนดรู้ทุกขสัจละสมุทยัยทํานิโรธให้แจ้งก็สามารถทำทำที่สุดแห่งทุกได้ แต่โดยเฉพาะในส่วนของอธิปัญญาสิกขาเนี่ยนะต้องเห็นความเป็นเหตุเป็นผลเห็นทุกขสัตว์กับสมุทัยสัตว์อย่างชัดเจนเป็นอย่างดีเลยเนี่ยนะว่าเหตุผลเนี่ยเป็นไปอย่างนี้นะถ้าดับเหตุผลก็ดับเนี่ยนะทำเราได้มีเหตุเป็นแดนเกิดทุกขสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะอุปาทานขันห้ามีเหตุเป็นแดนเกิดเหตุที่ว่าก็คือตันหาอวิชาและกรรมนั่นแหละเป็นเป็นแดนเกิดของของขันห้า ทีนี้พระพุทธเจ้าพูดถึงความดับเหตุแห่งธรรมนั้นนะพูดถึงความดับเหตุแห่งธรรมนั้นพระมหาส ม, มณะมีปกติพูดแบบนี้เน้นไปที่ดับเหตุแห่งแห่งธรรมนั้นทีนี้ไอ้คาว่าเหตุแห่งธรรมนั้นคือเหตุแห่งทุกขสัตว์คืออะไรอันนเหตุแห่งทุกขสัตว์คือสมุทัยสัตว์สมุทัยสัตว์เป็นชื่อของ ตันหาโปโนภวิกานันทิราคะสหคตาตตราตตระพินันทีนีเนี่ยนะเสยยะทีทางการมาตันหาภาวะตันหาวิภวะตันหาตันหานั้นใดเมื่อเกิดขึ้นมีความกำหนัดมีความเพลิดเพลินในอารมณ์นั้นๆเนี่ยนะเป็นตัวที่ก่อพอกใหม่เนี่ยนะพวกการมาตันหาภาวะตันหาและวิภวะตันหาทีนี้ถามมาตันหาเหล่านี้เมื่อเกิดเกิดที่ไหนเกิดที่ อะไรเป็นที่รักเป็นที่พอใจในโลกตันหาเมื่อจะเกิดก็เกิดในที่นั้นเนี่ยนะพบใหม่ถ้าจะเกิดเนี่ยนะตันหาซึ่งเป็นเหตุให้เกิดพบใหม่ถ้าจะเกิดก็เกิดในที่อารมณ์ที่น่าปรารถนาเป็นต้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถามว่าในอารมณ์ที่น่าปรารถนาถ้าจะกําจัดตันหาเนี่ยกำจัดอย่างไรเมื่อเกี่ยวข้องกับอารมณ์ที่น่าปรารถนานะถ้าจะกําจัดตันหาเนี่ยกำจัดอย่างไรใช้คําว่ากําจัดนะกำจัดแปลคําว่ากําจัดซิแปลว่าอะไร แปลเป็นบาลีว่าปะหานะปะหานะมีเท่าไรหนึ่งตะถังค่าปะหานสองวิคัมพนาปะหานสามสโมเฉทถปะหานสี่ปฏิปัสสติปะหานห้านิสรณะปะหานเอาทีนี้เมื่อเกี่ยวข้องกับอารมณ์ที่น่าพอใจจะเป็นตทถังค่าปะหานได้อย่างไรเออเกี่ยวข้องกับอารมณ์ที่น่าพอใจตทถังค่าปะหานได้อย่างไร อารมณ์ที่น่าพอใจบางอย่างเป็นเหตุให้ผิดศีลตะทางฆ่าประหารด้วยศีลต้องแก้ด้วยศีลนะเริ่มแต่ทางฆ่าตั้งแต่ศีลไปอารมณ์บางอย่างถ้ามาหนักนักก็ต้องเอาสมาธินี่นะมาข่มไว้เรียกว่าอะไรวิขำพนะประหารแล้วก็สะสางด้วยวิปัสนาวิปัสนาก็ยังเป็นแต่ทางฆ่าประหารเพราะฉะนั้นแต่ทางฆ่าประหารกับวิขำพนะประหารต้องเจริญควบคู่กันไป เมื่อประหารสองประการบริบูรณ์สมุทเฉทประหารก็บริบูรณ์เนี่ยนะสมุทเฉทประหารเนี่ยนะคืออริยมรรคให้ผลไม่มีระหว่างขั้นก็เป็นปฏิปัสสาติประหารอารมณ์ของสมุทเฉทประหารและปัสสติประหารนั่นแหละเป็นนิสระประหารหรือที่เรียกว่านิพพานอันท่าจะกําจัดตัณหากําจัดที่ไหนเนี่ยนะกำจัดหรือละก็ต้องอาศัย ปหานะเหล่านี้ปหานะเหล่านี้นี่แหละเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าสิกขาเนี่ยสิกขาในพระาศาสนานี่แหละที่จะสามารถทำให้กําจัดสิ่งเหล่านี้ได้นะในชั้นต้นรู้เหตุรู้ผลเป็นอย่างดีเรียกว่ารู้เห็นตามความเป็นจริงตรงนั้นเห็นใช้คาว่ารู้เห็นตามความเป็นจริงแค่ไหนจึงจะชื่อว่ารู้เห็นตามความเป็นจริงเนี่ยนะทรงรู้ธรรมะเหล่านั้นตามความเป็นจริงแค่ไหน คําว่ารู้ตามความเป็นจริงเนี่ยนะเป็นชื่อของญาณะสประการเนี่ยนะหสังขารประเฉทยานการรู้สังขารทั้งหลายเนี่ยนะการแยกแยะสังขารการวิเคราะห์สังขารได้ทุกแง่มุมเลยนะหรือการพิจารณาขันห้าได้อย่างถี่ถ้วนอันนั้นเรียกว่าสังขารประเฉทคือย่างที่2ปัจจยะปริเกหะก็คือการรู้ปัจจัยของสังขารอันนั้นแหละในชั้นต้นแยกแยะขันห้าออกได้ อย่างที่สองรู้ปัจจัยของขันห้าเป็นเป็นอย่างดีแล้วละความสงสัยที่ที่เกิดขึ้นทั้งสิบหกประการแล้วก็ละความเห็นผิดที่ว่าขันห้าไม่มีเหตุนะเป็นอเหตุตุกะวาทะก็จะละออกไปได้ละแม้กระทั่งวิสมะเหตุตุกะเนี่ยนะเอ่อเนื่องจากขันห้าเนี่ยนะปัจจัยของขันห้าแต่ละคนเนี่ยคิดไม่เหมือนกันปัจจัยของขันห้าสมมตินะขันห้าคืออะไรเอาใหมนะ่เนีย ที่นั่งนั่งกันอยู่เนี่ยที่ผู้การมาฟังแรกกระถาที่มาถึงผู้ ก, การพูดถึงว่าขันห้ามีอยู่แล้วห้าไปหามาอีกห้าเป็นสิบห้าบวกเป็นยี่สิบห้าอะไรไปเรื่อยๆลักษณะเนี่ยนะก็ที่นั่งนั่งกันอยู่นี่แหละคือขันห้าแต่ขันห้าเหล่านี้เนี่ยนะแล้วแต่นะถ้าเรานั่งอยู่ตรงนี้เราบอกอวิชชาตันหาอุปาทานกรรมเป็นปัจจัยแต่ไปนั่งอยู่ที่อื่นไม่ได้ว่าอย่างนี้นะใช่ไหมถ้านั่งอยู่ที่อื่นเขาว่าไง มีผู้สร้างเนี่ยนะมีพระอิศวรเป็นต้นเป็นเป็นผู้สร้างไอขันห้าเหล่านี้อันนี้เขาเรียกว่าวิสมเหตุเหตุที่ไม่เสมอซึ่งเหตุที่ไม่เป็นจริงกันนะเพราะว่าเหตุที่เป็นจริงของการเกิดของขันห้าเหล่านี้คืออะไรอวิชชาตันหาอุปาทานกรรมเนี่ยนะอวิชชาในฐานะเป็นสมุทัยศัสตร์ที่เหลือในฐานะเป็นเป็นสมุทัยเนี่ยนะ อันนี้เขาเรียกว่าถ้ารู้อย่างนี้เขาเรียกว่าละวิสมเหตุเหตุที่ไม่สม่ำเสมอแต่ก็มีอีกกลุ่มหนึ่งเลยเลยเถิดบอกไม่มีเหตุนะมันเกิดมันเลยอยๆคนเดียวมันเนี่ยนะอยากเกิดมันก็เกิดไปอย่างนั้นแหะดีไม่ดีใส่พระเคราะห์พระเลิกพระอะไรไปให้อีกเนี่ยนะแล้วแต่โชคแล้วแต่วาสนาแล้วแต่เคราะห์แล้วแต่อะไรก็ไปอีกเนี่ยนะเพราะพวกนั้นก็ที่จริงก็คือกลุ่มอเหตุกะนะแล้วแต่มันจะเกิดอย่งนั้นมันอยากโชคดีมันก็เลยโชคดีไปเลยมันโชคร้ายมันก็โชคร้ายของมันนีง อนนะไม่มีเหตุเรียกว่าพวกอเหตุกะกับพวกวิสมะเหตุุกะเนี่ยนะเหตุที่ไม่สม่ำเสมออันถ้ารู้ปัจจัยเป็นอย่างดีก็จะละละทัทธิเหล่านี้ได้ทีนี้เมื่อละได้เนี่ยนะถามว่าทากิจที่จะพึงทำต่อไปเป็นยังไงก็คือการยกสิ่งเหล่านี้มาใคร้ครวนเนี่ยนะมาคร่ครวนทั้งที่เป็นอดีตอนาคตเนี่ยนะทั้งที่เป็นปัจจุบันเพราะว่าขันเหล่านี้เนี่ยนะถามว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพึ่งมีขนานี้ใช่ไหม เพิ่งมีไหมไม่ใช่พึ่งมีแลว้วค่ะอายุทั้งหลายแหละนี่เขามีาไว้เพื่ออะไรเพื่ อ, อไว้ทบทวนว่ามันสมมากี่ปีแล้วนะมันสุดมากี่ปีแล้วขยะวยะธรรมมาสังขาราเนี่ยขยะแปลว่าสิ้นไปวยะเนี่ยไว้นะพูดเป็นไทยไทยคนนี้ไวเท่านั้นเท่านี้สรุปแล้วมันเสื่อมมาเท่านั้นแล้วสิ้นมาเท่านั้นแล้วเนี่ยนะถ้าแทบยุคนี้คํานวณได้เลยว่าถ้าถ้าสมมุติอะห้าสิบบวกได้เลยว่าควรจะเหลือเท่าไหร่เนี่ยนะมนไม่เกินนั้นเท่าไหร่แล้ว นะก็จะเป็นลนนักษณะนี้แล้วขันห้าเหล่านี้มีอยู่แต่ในพอบนี้ใช่ไหมมีใช่ไหมไม่ใช่มีมมอดีตชาติไปอีกไงนะถอยหลังถอยหลังถอยหลังบอกกับเดียวเนี่ยนะถ้ากองกระดูกเอาใครดีเอาของคุณเจ้าอมก็แล้วกันกลับเดียว <c oughs> นะมากกว่าเขาเวปุระบรรพศเหมัอนกันนะใกล้ๆเขาที่จักูดเนี่ยที่ล้อมเมืองราชครึกจะไปดูสักหน่อยเขาเป็นยังไงนี่ย <c oughs> นะก็บอกว่าเนี่ยแหละกับเดียวนะกระดูกเท่านี้ นะแล้วเพิ่งมีกลับเดียวใช่ไหมมากี่กลับแล้วอ่ะนะถ้าบอกโหพระพุทธเจ้าบำเพญ็ญบารมีเสียสงไข่แสนกับเนี่ยนะัถามากระดูกนี่กี่ภูเขาอะคันนี้เนี่ยนะก็คํานวณไปตามนั้นแล้วก่อนหน้านั้นอีกมหาศาลนะไม่ใช่ว่าสังสารวัตรเพิ่งเริ่มตรงนั้นมันไม่มีเบื้องต้นเนี่ยนะก็อยู่อย่างเงี้ยกองมาไม่รู้เท่าไรต่อเท่าไรแล้วนะเพรา ะ, ะนั้นจะว่าไปก็กินกระดูกกันเองอะนะผลกันไปผลกันมาอ่างั้นนะแล้ว จบเมื่อไหร่อันไอ้ขันอันนี้ต้องก่อไปอีกเท่าไหร่สำนวนนี่ก็ว่าต้องถมป่าช้าอีกเท่าไหร่นี่นะนะหมายก็ว่าอวิชาตันหาสร้างกรรมใหม่เพื่อให้มีขันห้าและเพื่อมีขันห้าแล้วก็เอาไปทิ้งป่าช้านะนะทำกรรมใหม่เพื่อให้มีขันห้าเอาไปทิ้งป่าช้าถามว่าต้องทิ้งทิ้งอีกกี่ป่าเนี่ยนะควรจะกี่ภูเขาดีนะบอกว่าเออเนี่ยนะถ้ากลับหน้าอีกสมมติกระดูกกองเท่าภูเขาแล้วหมดนะ ถ้าสมมติถ้ากลับหน้าได้แต่สรูรทำนะถ้าอีกหลายๆกลับก็กระดูกอีกหลายภูเขาเ่มือนกัน น, นะหรือบอกว่าเอออีกแค่เจ็ดป่าช้าอีกแค่เจ็ดป่าแค่นั้นอนะ่ะทิ้งอีกเจ็ดป่าช้านี่นะเรียบร้อยเลยประกาศได้หรือยังอันอนั้นยะังใช่ไหมเมื่ อ, อยังเนี่ยก็ต้องไปไคร่ครวนให้เห็นตามความเป็นจริงว่าเออเนี่ยนะขันห้าที่อยู่ในภพนั้นนั้นก็สิ้นในภพนั้นนั้นไอ้ที่จะมีต่อไปก็จากสิ้นในภพนั้นๆต่อไปควรหรือที่จะไปตามเพลดิดเพลินอ่ะนะ เหมือนกับของอะไรที่เราเอามาทําเล่นเล่นเสร็จแล้วมันก็เสียหายเสียหายแล้วก็ทําใหม่เสียทําใหม่แล้วก็เสียหายเหมือนกับของอะเล่น น, นะเล่นขายของอันนะไปหาเก็บใบไม้มาสักอันหนึ่งใบไม้สดมาเล่นกันพอมันเหี่ยวเอาไปทิ้งเก็บมาอีกอยู่อย่างเงี้ยถามว่ามันจะใหม่ๆก็สนุกดีนะแต่มันก็สนุกมานานแล้วนะทีนี้มันไม่มีจบมีสิ้นะิ์นะนะดีไม่ดีไปเก็บเอาใบไม่ค่อยงามมาจะว่าไง วันนี้นั่งดูรูปมามีแต่มาเอารูปมาให้ดูแต่ละอันหนึ่งผเห็นนะอุปาทานขันห้ามันมันเป็นอย่างนี้เองเหมือนกันพวกโรคผิวหนังสารพัดผิวหนังเหมือนกันนะเนยก็ลักษณะนั้นแหละก็จะเป็นไอเก็บใบไม้ที่ไม่ดีก็จะเป็นลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นเหตุเห็นผลขันห้าเป็นไปตามปัจจัยอย่างนี้แล้วอุปาทานขันห้าที่ไม่น่าปรารถนาก็มีมหาศาลเช่นอุปาทานขันห้าแบบสัตว์นรกน่าปรารถนาไหม มันก็เป็นหยาบเต็มทีแล้วเนี่ยนะเปรตก็เขาบอกว่านรกกับเดรชานไหนดีกว่าเดรชานดีกว่าเออเดรชานกับเปรตไหนดีกว่าเปรตดีกว่าอย่างน้อยที่สุดก็รับส่วนบุญได้เนี่ยนะเนี่ยนะระหว่างเปรตกับมนุษย์ไหนดีกว่ามนุษย์ดีกว่านะมนุษย์กับเทวดาก็เทวดาดีกว่าเทวดากับพรหมพรหมก็ดีกว่าเนี่ยนะถ้าพรหมกับรูปประพรหมอันไหนดีกว่า นะพรมดีกว่าพราะจะมีหูมีตาฟังดําม้างนะแต่ถ้าบรรลุปเป็นท่าระยะและอรูปประพรมดีกว่างนะัเอกีภาพดีไามา่ยุ่งกับใครเลยนะคุยกับใครก็ไม่ได้ตรงนะี้เพราะฉะนั้นแต่ว่าในความประณีดเหล่านั้นเนี่ยนะก็มีอายุชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นเองเนี่ยนะก็มีมีกฎเกณฑ์แบบนั้นเถอะธรรมชาติของสังขารที่เกิดขึ้นแล้วที่จะไม่แตกไปนี้ไม่มีถึงจะอยู่ในภพไหนก็ช่าง ถึงพร้อมอายุแปดหมื่นสี่พันกับก็ดํารงอยู่ได้ด้วยจิตขณะเดียวเนี่ยนะพ อ, องตรัดอย่างนั้นเลยถึงดํารงอยู่แปดหมืนสี่พันกับนะก็มีชีวิตอยู่ทีละขณะจิตทีละขณะจิตเท่านั้นเองจริงๆเพราะฉะนั้นพบไหนภูมิไหนก็เหมือนกันสิ่งที่เหมือนกันหมดคือไม่เที่ยงเหมือนกันเนี่ยนะเพราะมันสิ้นไปในพบนั้นนั่นแหละอะที่ไม่เที่ยงนั่นแหละเป็นเป็นทุกข์เนี่ยนะก็ของที่ไม่เที่ยงจะเป็นสุขได้อย่างไร ของที่ไม่เที่ยงด้วยเป็นทุกข์ด้วยนั่นแหละมันเป็นอนัตตานี่นะเนื่องจากไม่เที่ยงด้วยเนื่องจากเป็นทุกข์ด้วยนั่นแหละเลยเป็นอนัตตาเลยเนื่องจากไม่มีผู้ใดไปให้สิ่งนั้นเป็นเป็นเราได้จริงๆเนี่ยนะแล้วว่าผู้ใดไปสําคัญว่าเป็นของเราจริงๆก็ไม่ได้เนื่องกับเขาไม่เที่ยงด้วยเขาเป็นทุกข์ด้วยฉะนั้นพระองค์จึงประกาศสิ่งเหล่านี้เหมือนกับเป็นของว่างเหมือนกับเรือนว่างเนี่ยนะเป็นของที่ไม่มีแก่นสารไม่มีสาระ นะผู้ที่พิจารณาอย่างนี้จนรู้เหตุเกิดและความดับเป็นอย่างดีเนี่ยนะว่าขันห้าทั้งหลายเหล่านี้เมื่อเกิดก็เกิดด้วยปัจจัยทั้งหลายเหล่านี้ถ้าหมดปัดจจัยทั้งหลายเหล่านี้ขันเหล่านี้ก็จะหมดไปเนี่ยนะถ้ารู้ลักษณะนี้เรียกว่ายถาภูตยานทัศนาแต่รู้ระดับนี้แล้วนะจึงเรียกว่ารู้ยถมียถาภูตยานทัศนะรู้เห็นตามความเป็นจริงรู้แม้กระทั่งเหตุเกิดและความดับด้วย แต่คำว่าเหตุเกิดคืออวิชชาตันหาอุปาทานกรรมอาหารนั่นแหละเป็นเหตุเกิดของสิ่งเหล่านี้ถ้าอาวิชชาตันหาอุปาทานดับหมดเลยเนี่ยนะขันทั้งหลายเหล่านี้ก็ไม่เกิดอย่างนี้เรียกว่ารู้เห็นตามเป็นจริงเมื่อรู้เห็นตามความเป็นจริงอย่างนี้แล้วทำไงบอกว่าเมื่อก็เลยเบื่อนายเลยอันนะคำว่าเบื่อนายนียเป็นชื่อของอะไรนิพพิทาใช่ไหมนิพพิทาจะเกิดได้เพราะอะไรอนุปัสสนามีเจ็ดนะหนึ่ง อ น, นิจจานุปัสสนาสองทุกขานุปัสสนาสอนัตตานุปัสสนาสี่นิพพานุปัสสนาห้าวิราคานุปัสสนาหนิโรธานุ ป, 7, ปัสสนาเจดปฏินิสคานุปัสสนาขึ้นต้นพรวดมาวิปัสสนาข้อสี่เลยคือนิพพานุปัสสนาเนี่ยพองรู้เห็นอย่างนั้นเลยเบื่อหน่ายเลยแบบนั้นเด้แสดงว่าเห็นโดยความเป็นอนิจจงทุกขังและอนัตตาอย่างบริบูรณ์แล้วจึงเบื่อหน่ายเนี่ยนะ ตามเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงตามเห็นโดยความเป็นทุกข์ตามเห็นโดยความเป็นอนัตตาจนบริบูรณ์แล้วจึงเบื่อหน่ายนี่นะนิพิทาเป็นชื่อของพลวะวิปัสนาเนี่ยนะตั้งแต่อาทีนวานุปัสนาเนี่ยนะพยตูปฐานายาณอาทีนวายาณ น, นิพิทายานเป็นต้นพวกนี้เป็นเรื่องของความเบื่อหน่ายแล้วก็ทําไงปฏิบัติเพื่อพ้นจากสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะการเจริญอ น, นุปัสนาเนี่ยนะ นั่นแหละเขาเรียกว่าวุฒฐานะคามนีเนี่ยน ะ, ะเป็นการประพฤต์เพื่อออกจากอุปาทานขันห่าจริงๆเนี่ยน ะ, ะก่อนหน้านี้มาเขาเรียกว่ารู้เห็นตามเป็นจริงแต่ตอนที่ตามเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเนี่ยนะอันนี้แหละเาเรียกว่าประพฤต์เพื่อออกจากวัตะเมื่อเบื่อหน่ายก็คลายกำหนัดเนี่ยนะคลายกำหนัดครั้งแรกระดับไหนระดับโซดาปฏิมัตเนี่ยนะโซดาปฏิมักก็เหลือศพทิ้งอีกเจป่าช้า ก็ยังดีหน่อยนะทิ้งอีกเจ็ดป่าช้าก็ยังดีถ้าสกาทาคามีมักเนี่ยก็อีป่าช้าเดียวถ้านาคามีมักเนียป่านี้ก็ไม่กลับมาอีกแล้วไม่ต้องใครมาฝังมาถมให้เดีวไม่ต้องละถ้าเป็นภาสอาหารก็ไม่ต้องมีป่าช้าที่ไหนเลยทย่างนั้นนะสิ้นสุดสัทีหนึ่งเอางั้นตัดไอ้โรคภัยหรือตัดขันห้าออกไปทีนึงแต่ถ้าหากว่าคนที่บอกเออขันห้านี่ดีเหลือเกินนะถ้าอย่างเงี้ก็โอหอีกนานงั้นสะสมบารมีไปก่อนไม่เป็นไร ทำบุญแล้วตั้งความปรารถนาไว้ขอให้บุญนี้จงเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ด้วยเถอะไงนะทำบุญแล้วตั้งความปรารถนาเอาไว้ยังไม่ต้องรีบเบืบ่อหน่ายก็ได้เพราะถ้าหากว่าไม่เห็นเหตุเห็นผลเพียงพอเนี่นะเบื่อหน่ายบางอย่างนี่เป็นยังไงเบื่อบ้านใหญ่เป็นไงจะไปเอาบ้านอีกหลังหนึ่งอะทียุ่งอะไรทั้งนี้ถ้าถ้ามองธรรมดาทั่วๆไปเนี่ยนะถ้าด้วยสายตาปกติเลยนะสายตาของคนมียวิชาเนี่ยมันดีใช่ไหม แต่ถ้าลองทบทวนดูอดีตไม่มีที่สิ้นสุดมาเลยนะนะกว่าจะมานั่งกันอยู่นี่นะผ่านอะไรมาบ้างผ่านพบไหนมาบ้างเนี่ยนะอย่างบางสูตรเนี่ยนะบอกเลยนะเมื่อใดที่เธอไปเห็นคนจันทานคนยากไร้คนอนาถาเต็มที่เนี่ยนะเธอเพึงน้อมเข้ามาหรือว่าในสังสารวัตรอันยาวเธอก็เคยเป็นอย่างนี้มาแล้วเนี่ยนะเนี่ยนะก็เคยเป็นอย่างนั้นมาแล้วจริงๆ นันเราก็ทบทวนดูโอ้โหมีอะไรบ้างที่ไม่เคยเป็นอ่ะนะเว้นแต่ที่ว่าโสดาปฏิมากรรมนะที่ไม่เคยเกิดหรือว่าพบที่ไม่เคยเกิดดูจะสุดทาวาดอะ่ะที่ที่เหลือนี่เคยเกิดมาหมดแล้วหวะงั้นมันก็เป็นอย่างนั้นอีกถึงจะเกิดต่อไปเนี่ยนะทําเหตุทำผลถ้าเกิดต่อไปก็ไม่พ้นอยู่แค่นี้นะมันก็วนอยู่นี่แหละเนี่ยนะเขาจึงเรียกว่าเหมือนโคที่เทียมในในเครื่องยนต์อ่ะนะหรือหีบยนต์อ่ะนะก็คือวัวเทียมยนต์ก็ เขาหีบอ้อยนะพูดแบบสมัยโบราณ น, นะอ้อยก็มีไม้สองอันก็หมุนก็าหากันก็ใช้วัวเนี่ลากอันวัวที่เทียมมันนี้เนี่ยนะถ้าค่าปล่อยให้เทียมมากๆเนี่ยนะสมมติถ้าวันละสมมติเช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นให้มันเดินรอบแบบนี้นะวัวตัวนั้นนานๆเนี่ยเพี้ยนเลยเพราะอะไรเพราะว่ามันเดินรอบอ่ะมันไม่ได้ไปไหนเลยเดินรอบพอไปนานๆนนเข้ามันเหมือนกับวัวเมาอ่ะนะวัวเพี้ยนๆอ่ะคล้ายๆแบบนั้นอ่ะนะ กลายเป็นบ้าไปเลยอ่ะเนื่ยไงมันเดินเดินเดินนะมันเดินอยู่ที่เดิมอยู่ตลอดอ่ะชั้นไหนก็ดีสังสารวัตทั้งหลายก็เป็นอยู่ในลักษณะนี้นะพบน้อยพบใหญ่พบน้อยพบใหญ่เป็นไปอยู่อย่างนี้ก็เดินวนอยู่ไงถามว่าเมื่อวานกับวันนี้มันต่างกันตรงไหนก็มีเช้าสายบ่ายเย็นค่ำเช้าสายบ่ายเย็นค่าก็อยู่เท่าเนี้ไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยนะเพียงแค่ออปฏิทินฉีกวันทิ้งใหม่ทิ้งใหม่ทิ้ง ใ, ใหม่ก็อยู่เท่านั้นเองไงนะ เดินไปเดินมาของเราเลยเมาเลยนะก็มันเพี้ยนอยู่แล้วก็บอกว่าก็พูดถึงในครั้งหนึ่งก็บอกว่าใครรักษาโรคเพี้ยนให้ผมได้บ้างว่างั้นก็บอกเพี้ยนยังไงเอาก็ของไม่งามเนี่ยผมเห็นว่างามได้อก็เพี้ยนเต็มทีแล้วว่างั้นของไม่เที่ยงเราเห็นว่าเที่ยงเนี่ยของที่มันทุกว่าเป็นสุขของที่เป็นอนัตตาว่าเป็นอัตตาเนี่ยันนี้ก็เพี้ยนเต็มที่อยู่แล้วเนี่ยเมาเต็มตัวอยู่แล้วถามว่าแก้ยังไงไอ้โรคอันนี้เอา เขาบอกว่าธรรมะของพระผู้มีพระภาคเนี่ยนะเป็นที่กำจัดเป็นที่สรางแห่งแห่งความเมาเนี่ยนะเป็นที่ถอนอะไรเป็นที่เพิกถอนความเมาคือราคะเป็นที่ถอนความเมาคือโทสะถ้าความเมาคือราคะมันเกิดแล้วมเมาว่าไงบ้างนะเมา ว, ว่าเมา ว, ว่าเที่ยงเมา ว, ว่าสุขเมา ว, ว่าเป็นตาเป็นต้นเนี่ยนะคำสอนของพระองค์ก็เพื่อถ่ายถอนในสิ่งเหล่านี้นี่เองแต่ที่จะถ่ายถอนได้เนื่องจากเห็นสิ่งนั้นตามความเป็นจริงเนี่ยนะ เนื่องจากเห็นอารมณ์เป็นที่ตั an, o, ้งแห่งความเมาเนี่ยจริงถามว่าจริงแค่ไหนเห็นจริงอย่างที่ว่าเนี่ยนะยาณะสี่ประการที่ว่าเรียกว่าเห็นตามเป็นจริงนั้นหนึ่งสังขารปริเฉทยานสองปัจจยาปเรฆายานสามสัมมสนาญาณแล้วก็4อุทยพยายนอย่างอ่อนพวกนี้เขาเรียกว่าเห็นตามความเป็นจริงหลังจากนั้นไปแล้วเขาเรียกว่าเป็นข้อปฏิบัติเพื่อเบือนายเนี่ยนะอริยมรรคเกิดขึ้นเรียกว่า คลายกำหนัดอริยผลเกิดขึ้นเรียกว่าวิมุตต์ต้องระดับโน้นขึ้นไปเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าไม่เห็นอารมณ์นั้นตามความเป็นจริงเลยนะไม่เคยเอาอารมณ์นั้นนั้นไม่เคยเอาอุปาทานขันห้ามาใคร่ครวญเนี่ยนะทั้งยาตะปริญญาตีระปริญญาให้เพียงพอบริบูรณ์แล้วถึงยังไงมันก็เมาก็มันแก้ไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยนะพันเมื่อพระ อ, องค์รู้เห็นอย่างนี้ก็เลยเบื่อหน่าย เบอร์นายก็คลายกำหนัดเนื่องจากอะไรเนื่องจากสกํา ROC อวิชาในอุปาทานขันห้าไม่มีเหลือเลยเ อ, อวิชาในขันห้าเป็นยังไงทบทวนในครั้งหนึ่งนะมอวิชาถ้ามีในขันห้าเป็นยังไงเอ้าถ้าเห็นผู้การแล้วเป็นมีอวิชานี้เป็นยังไงเอาไหมเอาผู้การเห็นคุณเจ้าอมแล้วถ้าเป็นอวิชาเนี่ยนะเป็นยังไง คือไม่เห็นอริยสัจเลยนะมองแล้วไม่นึกแพงตลอดอริยสัจนั่นแหละเป็นอวิชชาส่วนใหญ่นี่เอาแบบสูงสุดเลยนะเพราะถึงเห็นด้วยกุศลทั่ ว, วไปกุศลอันนั้นก็ยังเป็นปัจจัยแก่อวิชชาอยู่ดีหรือมีอวิชชาเป็นปัจจัยอยู่ดีเพราะฉะนั้นถ้าเห็นตามความเป็นจริงก็ต้องมองแล้วอย่างถึงอริยสัจมองอย่างถึงอริยสัจแล้วอะไรเป็นอริยสัจบ้างพูดแบบประมวลเลยนี้ทุกทุกขสมุทยัยทุกขนิโรธ ทุกนิโรธคามินิปฏิปทาหรื อ, อส ก, กายะนะส ก, กายะสมุทัยส ก, กายะนิโรส ก, กายะนิโรธคามินีปฏิปทาและส ก, กายะเอุปาทานขันห้าอันเดียวกันหรืออีกในหนึ่งก็บอกว่าโลกกันนะโลกกสมุทัยโลกกับ น, นิโรธโลกกับ น, นิโรธท้ามินีปฏิปทาไอาการแทงตลอดอันนั้นเนี่ยเป็นเป็นวิชาแต่ถ้าไม่แทงตลอดเลยเป็นอวิชา มันต้องเอาวิ ช, ชามาตั้งก่อนนะถ้าวิ ช, ชาเขารู้อะไรอะที่เหลือต่างจากนั้นแหละเป็นอวิชชาที่เหลือจากนั้นะเป็นอวิชชาถึงมหากุศลทั่วทั่วไปเนี่ยนะที่เป็นไปกระฐานและศีลขณะนั้นเนี่ยถึงไม่ประกอบด้วยอวิชชาก็จริงอยู่แต่ไม่ใช่มีวิ ช, ชาคือไม่ใช่มีวิ ช, ชาที่จะมาแทงตลอดความจริงสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะ เพราะฉะนั้นปุญญาพิสังขารกับอาเนนชาพิสังขารก็มีอวิชชาเป็นเป็นปัจจัยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าวิชาเกิดขึ้นก็ต้องเห็นอย่างถึงอริยสัจถ้าพูดแบบรวมๆก็อย่างว่าสกายะสกายะสมุทัยสกายะนิโรสกายะนิโรธคามินีปฏิปทาหรือพูดแบบอุปาทานขันห่าว่า น, นี่คือทุกทุกขสมุทัยทุกขนิโรทุกขานิโรถาคามินีปฏิปทาหรือประมวลว่า น, นี่คือโลก โลกกับสมุทัยโลกกนิโรธโลกกนิโรธคามินีปฏิปทาแต่ถ้าจะขย่อยมาให้ละเอียดอีกเป็นไงย่อยได้ไหมเอามาย่อยเลยนะอาจจะเอารวมรวมกว่านั้นเช่นภาษายตนา6นะตาหูจมูกลิ้นกาจัยเนี่ยเรียกว่าภาษายตนาหกภาษายตนะเหตุเกิดของภาษายตนะความดับภาษายตนะอส า, าธาอาทีนวะและนิสรณ ะ, ะของภาษายตนะหรือ ถ้าเองมหาพูดนะเอาถ้าเอามหาพูดเป็นหลักนะมหาพูดเหตุเกิดของมหาพูดความดับมหาพูดอาสาธาอาทีนวะและนิสรณ ะ, ะของมหาพูดทั้งหลายเหล่านี้แต่ถ้าย่อยไปกว่านั้นอีกถ้าตามพุทธคุณที่จะเรียนต่อไประบทว่าสัมมาสัมพุโทโธหรือว่าในปฏิสัมพิธามัคอภินยญายนิเทศเป็นต้นเนี่ยนะก็พูดอะไรย่อยมาอีกเป็น เช่นจากโคจากโคสมูไทยจากโคนิโรจากโคนิโรธัคามินีปฏิปทาย่อยออกมาเองนะเป็นตาหูจมูกลิน้นกายใจแล้วแต่ละบทแต่ละบ ท, ะบทอย่างลงอริยสัจหมดเลยเช่นเห็นสีเนี่ยนะสีได้ยินเสียงนะรูปเสียงกลิน่นรสผลิภัณฑ์และธรรมารมณ์ทั้งหลายก็ทุกบทก็ประมวลลงอริยสัจหมดเลยที่เห็นทางตาหูจมูกลิน้นกายใจรับรู้อารมณ์พวกนี้เป็นจิตเนี่ยนะ ใช่ไหมจะคูวิญญาณโสตขานะชิวหากายะและมโนวิญญาณจะคูวิญญาณจะคูวิญญาณสมูทัยจะคูวิญญาณนิโรจะคูวิญญาณนิโรธคามินีปฏิปทาภาสาเวทนาสัญญาเจตนาวิตกวิจารณ์แม้กระทั่งวิจารเนี่ยนะรูปปวิจารรูปปวิจารณ์สมูทัยรูปปวิจารนิโรรูปปวิจารณ์นิโรธคามินีปฏิปทาในหนึ่งก็คือไม่รู้เลยว่าอดีตเนี่ยนะระลึกชาติมาเลยไม่ได้เลยว่าอดีตเนี่ยมาอย่างไรเนี่ยอย่างหนึ่ง เพราะว่าพระพุทธเจ้ามีวิชาที่หนึ่งเรียกว่าอะไรปุเพนิวาสานุสติยานคือระลึกชาติได้การระลึกชาติได้อวิชาที่ปกติดอดีตชาติก็ถูกชำรแรกออกไงนะวิชาที่หนึ่งก็เกิดขึ้นได้เนื่องจากรู้อดีตหมดเลยวิชาที่สองคือจุตูปปารตยานเห็นสัตว์เกิดสัตว์ตายบวกอนาคตต่างายานเข้าไปด้วยงั้นพระองค์นี้เห็นอนาคตหมดเลยว่าอนาคตต่อไปเนี่ยจะเป็นอย่างไร เพราะฉะนันอดีตอนาคตถูกอวิชชาในที่ไม่รู้อดีตอนาคตนี่ถูกละไปแล้วในขณะเดียวกันก็ประมวลสิ่งเหล่านี้เป็นปฏิจจสมุปบาทใช่ไหมอานะถ้าจักคูนิจุมมีอะไรเป็นปัจจัยนะนามรูปใช่ไหมจักคูในฐานะสลา ย, ยตนะจักคูเป็นสลา ย, ยตนะมีนามรูปเป็นปัจจัยนามรูปมีกรรมวิญญาณเป็นปัจจัยเนี่ยนะในส่วนของจักคูกรรมวิญญาณมี สังขารเป็นปัจจัยสังขารมีอวิชชาเป็นปัจจัยด้วยเหตุอย่างนี้แหละอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปนามรูปก็เลยมีอายตนะเนียมีตาและอายตนะเป็นปัจจัยกับอะไรตากับสีเลยจิตเห็นเกิดเลยนะนนี้เป็นภาษาเนี่ยนะภาษะทางตาก็เกิดเมื่อมีภาษะก็เกิดเวทนาแล้วแต่ว่าไปเห็นอารมณ์ชนิดไหนขึ้นมาเวทนาก็เป็นปัจจัยแก่ตันหา อพอพ่อไรเพราะว่าเห็นแล้วก็คิดแล้วเนี่ยนะอันนั้นเป็นมโนกรรมกรรมมั น, นั้นเนื่องจากตานหาและกูปาธาเนี่ยนะถ้าพูดก็เป็นวจีกรรมถ้าขยับกายออกมาก็เป็นกายกรรมอันนี้เป็นกรรมมพบพบอันนี้เป็นปัจจัยจึงมีนะมีชาติเนี่ยนะมีชาติผลของชาติเป็นไงก็ชรามรณะเนี่ยนะ ถ้าสังสารวัตรก็ดําเนินไปอย่างนีน้เมื่อความเป็นเห็นเหตุเห็นผลเป็นลักษณะนี้นะอันนี้ก็เป็นวิชาอย่างหนึ่งเหมือนกันที่เรียกว่าเห็นปฏิจจสมุปบาทแต่ว่าไม่ได้อยู่แค่นี้ถ้าหากว่าวิชาดับสังขาร น, น, นั้นก็ดับถ้าสังขารดับวิญญาณอันนี้ก็ดับใช้คําว่าดับนะอนดับดับแค่ไหนนิโรธมีเท่าไหร่คําว่านิโรธนะหนึ่งตะทางขานิโรธสอง วิคัมพนาวินิโรธสามสมุทเฉทนิโรธสี่ปฏิปัสสัททินิโรธห้านิสรณะนิโรธนิโรธที่พูดถึงเมื่อกี้เนี่ย้าดับอันนี้นี้ดับนิสรณะนิโรธเพราะฉะนั้นสี่อย่างที่เหลือเท่ากับพูดแล้วเอาสูงไว้เลยนะเอายอดไว้เลย <c oughs> เพราะฉะั้นธาดับอย่างนี้ได้ก็ที่เหลือก็เป็นอันดับหนุดวตทุกก็เป็นอันจบสิน้นทักทีหนึ่งเหมือนกันแต่ถ้ามองเฉพาะธรรมดาทั่วๆไปเลยจะมันมีอะไรมีโทษบ้างใช่ไหม ถ้ามองเฉพาะหน้าเฉพาะหน้าอาศัยจากครูวิญญาณมองเห็นเนี่ยนะอาศัยจากขูวิญญาณดูเฉยๆอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยจะไม่มีโทษเลยเนี่ยนะเออมันก็ดีนี่นะเพลินออกกันนะเหมือนกับเราลอยตัวเล่นตามน้ําตกกันนะสมมติว่าน้ําตกจากยอดเขาแล้วก็ลอยตัวเล่นเล่นไปนะก็เออมันก็ดีนิ่น้ํามันก็พัดไปเรื่อยเออดีนี่ไม่ต้องไหวไม่ต้องอะไรเลยสบายมากแต่ถ้าลืมตาดูข้างหน้าจะเห็นเหวอยู่เช่นเหวคืออะไร เหวคือนรกอย่างเงี้ยนะเปรตอสุรกายแล้วก็สัตว์เดรัจฉานถ้าตกไปแล้วยากที่จะขึ้นมาได้เนี่ยนะถึงขึ้นมาก็ไม่รู้ขึ้นมาในสภาพไหนอีกก็ไม่รู้เนี่ยนะก็เขาบอกว่าพราะองค์ว่างี้นะว่าคนพาเนี่ยนะยากที่จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์แต่ก็มีบ้างเป็นครั้งคราวที่คนพานทั้งหลายจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็เกิดเป็นมนุษย์ในตระกูลต่ําเกิดในตระกูลต่ําผิวพรรณไม่ดี หาหากินแบบทุกยากมังั้นเถะแล้วก็มีปกติฆ่าสัตว์อีกมีปกติรับทรัพย์เพืชผิดในการพูดเทศพูดคำหยาบพูดเพ้อเจอ้อแล้วก็พูดสอเสียดเนี่ยนะมีอภิชาห ม, มากพยาบาทมากเป็นมิจฉาทิฏฐิอันคนพา น, นั้นเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกก็ไปสู่อบายทุกขติวินิบาตอีกครั้งหนึง่งมันก็วนอยู่อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นพี่สุสมัยก่อนท่านบอกว่าอบาย4ีเนี่ยเป็นไปง่ายมังนงั้นเหมือนบ้านเก่ามันงั้นน่ย ไปง่ายมากอะนะชำนาญที่สุดเย่างนั้นถามว่าที่จริงแล้วนะความดีเนี่ยนะคนดีทําง่ายคนชั่วทํายากความชั่วเนี่ยนะคนชั่วทําง่ายคนดีทํายากเนี่ยนะแแต่ทําไมอบายสี่เราจึงไปง่ายก็กมันทํามาจนชํานาญแล้วนะถ้าจะด่าใครสักคนเนี่ยดูจะคล่องมากเลยนะนึกตําหนิใครนี่ง่ายมากแต่ถ้านึกเห็นใจใครเนี่ยยากพอสมควรเนี่ยนะเอางี้นะท่านนึกคนโน้นไม่ดีอยังงั้นยังงั้นยังงั้นนึกยากไหม ดูไหมยะถ้านึกเออขอให้ทุกคนมีความสุขนะแล้วนึกอย่างนี้นานๆนะทําง่ายไหมอยากมืองกันเพราะฉะนั้นอาวิชานี่นะคุณสมบัติเขาอย่างหนึ่งคือไม่ได้สิ่งที่ควรได้แล้วไปได้สิ่งที่ไม่ควรได้เนี่ยนะนั่ น, ะนคืองานของเขาละภาระกิจของเขาเป็นอย่างนั้นยังไงฉะนั้นพระอรหันต์เนี่ยทําลายไอซี่การมแห่งสังสารวัฏที่ว่านี้ไปหมดแล้วนี่มาขึ้นอรหังในที่สี่เลยเดียวกันนะ ว่าปฏิจจสมุปบาทพูดยังไงก็ไม่มีจบแล้วนะรายละเอียดปฏิจจสมุปบาทถ้าอยากดูก็ในหน้าเก้าเนี่ยบอกที่มานีไปดูตามนั่นเอามาขึ้นอรหังในยะที่สี่กล่าวถึงว่าพระผู้มีพระภาคเป็นผ้าอรหันต์เพราะทรงเป็นผู้ควรซึ่งปัจจัยเป็นต้นเนี่ยนะอันหนึ่งพระผู้มีพระภาคนั้น ย่อมควรซึ่งจีวราที่ปั จ, จัยคือปัจจัย4และบูชาวิเศษทั้งหลายคือการกราบการไหว้การลูกรับการเชื่อเชิญเนี่ยนะเพราะพระองค์เนี่ยเป็นผู้ควรแก่ทักษิณาอันเลิศเพราะฉะนั้นในเมื่อพระตถาคตเสด็จอุบัติขึ้นแล้วเทพและมนุษย์ผู้มเหสักรเราได้เราหนึง่งจึงไม่ทำการบูชาในที่อื่นเลยเนี่ยนะตัวอย่างก็เช่นท้าสามบดีพรมเนี่ยนะงบูชาพระตถาคตด้วยพวงแก้ว เท่าเขาซินเนรุเนีย่ย น, นะโอ้กับพวงแก้วที่ใหญ่โตมหาศาลอย่างนั้นเขาซินเนรุเนี่ยเป็นเขาที่รองรับสวรรค์ชั้นจาตุมแล้วก็ชั้นดาวดึงเนี่ยนะยอดเขาซินเนรุคือสวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ยนะทีนี้หอ้มันมันภูเขาที่ใหญ่โตมหาสาลอย่างนั้ น, นต้องถามคุณลุงคุณลุงไอเขาซินเนรุเนี่ยสูงเท่าไหร่จําได้อันน่ะแป๊ แปดหมื่นสี่พันใช่ไมไอ้ที่พ้นแล้วจมลงในมหาสมุทรอีกก็เท่ากันเนี่ยนะแปดหมื่นสี่พันบวกปดหมื่นสี่พันนี่เท่าไหร่เนี่ย น, นเพราะฉะนั้นเขาสีเนรุเนี่ยนะใหญ่เท่านั้นแหละนะพวงแก้วเท่านั้นแหละเป็นพุทธบูชาพวงแก้วทั้งหลายก็คือพวกเพชรทั้งหลายนั่นเองอ่ะนะผอมเขาในรมิดขึ้นมาทําเป็นพุทธบูชาว่างั้นโอ้มูลค่าของเยอะมากกันนะหาประมาณไม่ได้ ก็มีวัตถุอย่างหนึ่งนะ ท, ที่หาค่าไม่ได้ก็เช่นพระแก้วมรกตเนี่ยเขาก็ไม่ประเมินว่ามีค่ า, า, คาเทเ่าไหร่นะพระแก้วมรกตที่กรุงเทพนะ ก, ก็ไม่ประเมินว่ามีคุณค่ากี่กี่กี่มากน้อยเนี่ยก็ไม่ประเมินว่างอนนเป็นของที่หาค่าไม่ได้เหมืนกันหรือแม้กระทั่งพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยนะก็ถวายอะไรพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยนะที่ยกแผ่นดินให้เลยนะถวายเป็นพู้ตบูชาอะไรคือเวรุวันเนี่ยนะ เวรุวันอย่างนึง่งแล้วก็หลังอย่างนั้นก็ทําบุญอย่างอื่นอีกมหาศาลพระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็ทําอสัตถิสถานเนี่ยนะคือทานที่ไม่มีทานอื่นยิ่งกว่านี่นะก็เป็นคนที่ทําบุญอย่างอื่นอีกมหาศาลและพระเจ้าอาโศกมหาราชก็ทรงสละพระราชทรัพย์ถึง96โกศสร้างพระวิหารเนี่ยนะแปดหมหลังในสกลชมพูทวีปเนี่ยนะทั่วชมพูทวีปเนี่ยนะพระเจ้าอาโศกสั่งสร้างวัดหมดเลยเนี่ยนะเบิกทรัพย์พระคลังไป นะแล้วก็อุทิศแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยนะยกสิ่งเนี่ยเป็นพุทธบูชาเลยแม้เสด็จปรินิพานแล้วก็จะกล่าวอะไรถึงบูชาวิเศษเหล่าอื่นเล่าเนี่ยนะทุกๆแห่งที่เห็นวัดเนี่ยนะส่วนใหญ่แล้วทําเป็นพุทธบูชาเนี่ยนะทำเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาแล้วก็สังฆาบูชาเนี่ยนะแม้แต่แค่แผ่นดินไทยเนี่ยนะพระเจ้าตรัสสินเนี่ยที่กู้ชาติก็บัดกู้เป็นพุทธบูชานะี ก็บอกที่เขาว่าอะไรอันตัวพ่อชื่อว่าพญาตากเนี่ยนะทนทุกข์ยากกู้ชาติาศาสนาเนี่ยนะเอาแผ่นดินเป็นพุทธบูชาในาศาสน า, าสมณะพระโคดมอะไรข้างนะก็พระเจ้าตากก็ยังตั้งจิตไว้ในลักษณะนั้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพระองค์ น, นี้เป็นพระหันเพราะว่าควรแก่คู่คู่ควรแก่การบูชาเนี่ยนะเพราะว่าคนที่เอาข้าวของบูชาพระองค์เนี่ยนะมีมหาศาลถ้าเราลองไล่ไล่ดูนะตั้งแต่สมัยพุทธกาลเป็นต้นมาเนี่ยนะ ของที่เขาทำผู้ทวบูชาเนี่ยเป็นมูลค่าเท่าไรนะถามว่าทำไมเขาจึงบูชากันมากมายขนาดนั้นเพราะพระองค์นี้เป็นผู้คู่ควรแก่การบูชาจริงๆเนี่ยนะอย่างที่พระองค์ตรัสว่าใครๆไม่อาจนับบุญของบุคคลผู้บูชาซึ่งบูชาระหะหมายถึงบุคคลผู้ควรบูชาเนี่ยนะเช่นพระพุทธเจา้าหรือสาวกของพระพุทธเจา้าผู้ก้าว่วงธรรมะเครื่องเนิ่นชา้า ผู้ก้าผู้ข้ามความโศกและความร่ำไรได้แล้วว่าบุญมีประมาณเท่านี้เนี่ยนะอย่าไปคำนวณอย่าไปปริมาณเลยว่าผู้ที่บูชาทาพุทธบูชาธรรมบูชาหรือสังฆบูชาว่าได้ผลบุญเท่าไหร่ที่แท้แล้วนับเป็นห่วงแห่งบุญห่วงแห่งกุศลเนี่ยนะผลแห่งการบูชาเนี่ยคำนวณไม่ได้นับไม่ถูกว่ามากขนาดไหนเนี่ยนะทีนี้ถ้าตั้งคาถามว่า พระพุทธเจ้าในสมัยมีพระชนอยู่นะคือรูปประคันพระองค์ก็ยังอยู่ใช่ไหมเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขันก็ยังดำรงอยูอ่เมื่อบุคคลไปทําพุทธบูชาเนี่ยนะก็ได้ผลมหาสาลเนี่ยนะนี่ไม่ค่อยสงสัยใช่ไหมก็ธรรมดาเนี่นะเช่นไปให้ทานไปกราบไปไหว้ลุกรับเป็นต้นเนี่ยนะก็นับว่าดีบุญเยอะแล้วะทีนี้ถ้าอย่างยกทุกวันเนี่ยรูปพระองค์ก็ไม่มีเหลือแล้วเวทนาเอ่อรูปประหลือพระธาตุนะ ส่วนที่เป็นรูปประคันนะนะก็พอเหลือบ้างก็คือพระาธาตุเวทนาขันดับสิ้นไม่มีเหลือสัญญาสังขารและวิญญาณขันนามขันไม่มีเหลือเลยอ่าถ้ายุคนี้ถ้าคนบูชาและจะได้บุญมากเท่ากับสมัยนั้นไหมเท่ากันไหมเอาหมา่บุญอยู่ที่ไหนไบุญอยู่ที่เจตนาใช่ไหมบุญอยู่ที่ที่กุศลจิตเพราะฉะนั้นเท้าสก่า บ, บอกว่าเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้น ยังทรงพระชนอยู่ก็ดีนิพพานแล้วก็ดีเมื่อมีจิตเสมอกันผลย่อมมีเท่ากันถ้ามีจิตเท่ากันนะก็บุญนั้นก็เท่ากันเพราะเหตุคือความเลื่อมสายแห่งใจศาสตร์ทั้งหลายย่อมไปสู่สุขติเพราะฉะนั้นถ้าระลึกถึงคุณของพระ อ, องค์แล้วบูชาจริงๆแล้วนี่ผลก็ไม่ได้แตกต่างกันนักหรอกเนี่ยนะแต่ว่ามันทาใจให้เท่ากันได้หรือเปล่านะี่อีกเรื่องหนึ่งนะถ้าอาจจะ รูปารมณ์ศัทธารมณเนี่ยนะได้เห็นหน้าพระพุทธเจ้าได้ฟังเสียงพระพุทธเจ้าได้อุปนิสัยในส่วนใกล้ๆจากพระองค์เนี่ยนะกุศลกิจอาจจะเกิดมหาสาลใช่ไหมแต่ถ้าอย่างนี้มานั่งจินตนาการเอานะนั่งนั่งสุมส่มๆเดาๆเอาเอ๊ เ, เ, เ, เ, เ, เป็นยังไงนะถ้ายิ่งคนที่ศึกษาพระธรรมน้อยๆด้วยก็ยิ่งยากที่จะจะให้กุศลกิจเท่ากับคนที่เข้าอยู่ใกล้ได้นะก็แตกต่างกันแต่ถ้าชำระใจได้เนี่ยนะ เท่ากันก็ผลบุญก็ไม่ต่างกันเห็นไหมไนทำใจได้หรือเปล่ากันนันน่ะเพราะว่าใจนี่นะองค์ประกอบของใจมีเท่าไหร่นอย่างน้อยที่สุดก็สัมปยุตรธรรมนี่เอาขึ้นมาก่อนเนี่ยนะศรัทธาเท่ากันไมล่ะเหนะหฮิริโอตปะเท่ากันไมมสติเท่ากันไหมปัญญาเท่ากันไหมอะโลพาเท่ากันไหมอะโทสะเท่ากันไหมวิริยะปีติเท่ากันไหมเป็นต้นน่นนะ เอาสัมปยุตธรรมมาตั้งก่อนแล้วก็อุปนิสัยเข้ามาอีกเท่ากันได้ไหมถ้าแต่งในส่วนนี้ได้ผลของเจตนาอันนั้นก็ก็เท่ากันล่ะเนี่ยนะแต่ผู้ที่เขาเจริญพุทธคุณเป็นอย่างดีก็สามารถที่จะแต่งได้เนี่ยนะเจริญพุทธคุณเนี่ยนะด้วยความทราบซึ้งในคุณของพระพุทธเจ้าอย่างดีแล้วนี่ก็ทําเป็นพุทธบูชาได้อย่างมีผลไม่ไม่ต่างจากคนสมัยนั้นเขาทํากันเลยเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าคนที่ปฏิบัติชอบ ประพฤติดีปฏิบัติชอบเป็นผู้ถ บ, บูชาในสมัยพุทธกาลก็บรรลุมรักผลได้สมัยนี้ถ้าปฏิบัติโดยชอบตามคําสอนก็บรรลุมรักผลได้เนี่ยนะเพราะว่าผู้ที่ปฏิบัติชอบโลกก็จะไม่ว่างจากภาหารอยู่แล้วเขาบอกเป็นอยู่โดยชอบนะชอบชอบแค่ไหนล่ะชอบตามมรคมีองค์แปดทำได้ไหมล่ะธรรมะมรคมีองค์แปดเกิดด้วยปัจจัยอีกนะก็หาปัจจัยดูสิเนี่ยนะ เใช่ครับก็ที่จริงแล้วนะถ้าเทียบไปแล้วของเราสมัยนี้น่าจะได้ฟังกว่าส่วนหนึ่งนะมากกว่าคนสมัยพุทธกาลบางส่วนนะฟังมากกว่าถามว่าทำไมจึงพูดอย่างนั้นพระไตรปิฎกก็มีให้อ่านเทบก็มีให้ฟังอะไรเยอะแยะเลยนะก็นับว่าเยอะนะแต่ทีนี้ว่าไอ้ประโตโคสาบมากแต่โยนิโสมนสิการสู้เขาไม่ได้ว่ากุศลจิตนี่เกิดอ่อนกับเขาเยอะแบบนั้น เพราะว่ากุศลจิตเนี่ยนะส่วนหนึ่งไม่ได้เกิดจากโยนิโสอย่างเดียวนะมันเกิดจากอุปนิสยัยปัจจยัยอุตุโภชนะเสะนาสะนะบุคคลด้วยเนี่ยนะถ้าเราอยู่ใกล้คนมีศรัทธาเราจะมีศรัทธาตามง่ายมากไม่ยากเลยนะสมมติว่าเห็นเขากราบเขาว่าวนะเนี่เราเอามั่งในกุศลส่วนอื่นๆก็เหมือนกันนะถ้าอยู่ใกล้ๆกับคนประเภทนั้นนะกุศลจิตแบบนั้นก็เกิดง่ายเนี่ยนะครับสมัยนั้นเขาได้อุปนิสัยในส่วนอื่นๆมากกว่าเนี่ยนะกุศลจิตเกิดง่ายกว่า ลองฟังข้อความในมหาปรินิพานสูตรดูนะหน้าสบว่าในหัวข้อว่าด้วยผู้ที่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมผู้ปฏิบัติชอบปฏิบัติตามธรรมอยู่ผู้นั้นชื่อว่าสักการะคารพนับถือบูชาตถาคดด้วยการบูชาอย่างเยี่ยมยอดเนี่ยนะพูดถึงการบูชาแบบวัตถุบูชาเนี่ยนะก็มีมาม า, มากแลนะ้วเนาะ แล้วก็ได้ยินได้ฟังกันบ่อยนะที่พระทั้งหลายเขเทศอ น, นิสงค์ของการบูชาดอกไม้ของหอมระเบียบอะไรทั้งหลายแล้วเนี่ยนะอ น, นิสงค์ในส่วนนั้นนก็ฟังมาเยอะแล้วหรือถ้าจะเอาให้ดีๆอีกชาติอย่างหนึ่งนะก็ดูในเทรค า, าถาเทรีคถาเนี่ยที่ท่านบรรลุมรรคผลเนื่องจากอาศัยอมิสบูชานะมาก่อนอมิสบูชาเหล่านั้นเป็นอุปนิสัยให้หรือว่าผู้ที่ไปสู่สุคติโลกสวรรค์เหมือนในคำภีร์วิมานวัตถุนะก็เป็นผลของ อามิสบูชานะส่วนหนึ่งแต่พระองค์นี้ทรงสรรเสริญปฏบิบัติบูชามากกว่าเนี่ยนะพระผู้มีพระภาค พ, พร้อมด้วยภิกษุสงหมู่ใหญ่เสด็จไปยังฝั่งโน้นแห่งแม่น้ำฮิรันยวดีเมืองกุสินาราและสารวันอันเป็นที่แวดพักแห่งพวกมละครั้นแล้วรับสั่งกับพระนนท์ว่าดูก่อนอนอนท์เธอจงช่วยตั้งเตียงให้เราหันศีรษะไปทาง ทิศอุดรเ น, นี่ยนะทิศเหนือระหว่างไม้สาระทั้งคู่เราเหน็ดเหนื่อยแล้วจักนอนอันนี้จะเป็นการนอนครั้งสุดท้ายใช้ให้พระอนนเนี่ยตั้งเตียงให้หน่อยว่างั้นนะนะก็บอกว่าอิรยาบดสุดท้ายว่างั้นก็บอกว่าที่บอกว่าเราเนี่ยเหน็ดเหนื่อยแล้วจักนอนว่างั้นที่บอกว่าจาักนอนก็เพราะอะไรพระองค์ตรัตวาจาอันนี้ให้เกิดความสลดสังเวชใจต่อสัตว์ทั้งหลาย พระพุทธเจ้านี่ถ้าพูดโดยกําลังพระกายทั่วๆไปแล้วนะบุรุษ ธ, ธรรมดาเนี่ยแสนโกรธนะกินกันเท่ากําลังพระพุทธเจ้าคนเดียวแต่ครนี้ขนาดพระองค์เนี่ยนะผู้ที่มีกําลังเรี่ยวแรงมาก่อนหน้านี้มากขนาดนั้นขนาดนั้นก็จะพยุงตัวให้นั่งก็ยังยากเลยงนะั้นพรนสั่งให้จัดเตียงนอนเลงนะั้นเหนื่อยเต็มทีแล้วท่านพระนรนก็ทูลรับพระดํารัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็ตั้งเตียงหันพระเศียรไปทางทิศอุดรระหว่างไม้สาระทั้งคู่ พระผู้มีพระภาคเจ้ า, าทรงสําเร็จศีหาสายาโดยพระปราดเบื้องขวาทรงซ้อนพระบาทเลื่อมพระบาทมีพระสติสัมปชัญญะคําว่าสติสัมปชัญญะก็คือดํารงสติแต่ถ้าเป็นการอื่นๆก็ตั้งสติไว้เพื่อที่จะลุกตั้งสติสัมปชัญญะอย่างหนึ่งก็คือเพื่อที่จะลุกขึ้นก็คือตั้งอุทฐานสัญญาว่าจะลุกเวลาไหนเป็นต้นแต่ น, นี้สติสัมปชัญญะแบบของพระองค์สมัยนั้นแลไม้สาระทั้งคู่แผล ด, ดอกบานสะพรั่งนอกฤ ด, ดูกาล ดอกไม้เหล่านั้นก็ร่วงหล่นโปรยปลายลงยังสรีระของพระตถาคตเพื่อบูชาเขบอกว่าดอกสาละเนี่ยนะกลีบเนี่ยตกร่วงลงมาเขบอกว่าถามาร่วงได้ยังไงบอกเทวดานี่เขย่ากันให้ให้ดอกไม้เนี่ยตกลงมาจะได้ทําพุทธบูชากันดอกมณทารพบเนี่ยนะอันเป็นของทิพย์ก็ตกลงมาจากอ า, ากาศดอกมณทารพบเหล่านั้นก็ร่วงหล่นโปรยปลายลงยังพระสรีระของพระตถาคตเพื่อบูชา แม้จุนแห่งจัน์อันเป็นของทิพย์ก็ตกลงมาจากอากาศจุนแห่งจัน์เหล่านั้นก็ร่วงหล่นโปรยปลายลงอย่างพระสรีระของพระตถาคตเพื่อบูชาดนตรีอันเป็นของทิพย์เล่าก็ประโคมอยู่ในอากาศเพื่อบูชาพระตถาคตแม้สังขีตะาอันเป็นทิพย์ก็เป็นไปในอากาศเพื่อบูชาพระตถาคต ดอกไม้เนี่ยนะเป็นพุทธบูชาใช่ไหมดอกสาระดอกมณฑารบดอกไม้เป็นทิพทุกชนิดเลยนะแล้วก็ฝุ่นจันเนี่ยนะจนแห่งจันก็คือผงหอมทุกชนิดอ่ะที่เขาทำบูชากันหรือแม้กระทั่งดนตรีทุกชนิดที่เขาทำเป็นพุทธบูชาสังคีตาก็คือการบรรเลงเนี่ยนะเพื่อทำเป็นพุทธบูชากันครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคตรียบท่านท่าน น, นมารับสั่งว่าดูก่อนอนอน์ ไม้สาระทั้งคู่เนี่ยนะเพล ด, ดอกบานสะพรั่งนอกฤดูกาลเป็นต้นนั่นเองทุกอย่างก็เพื่อทําเป็นพุทธบูชาเนี่ยนะดูก่อนอนอนลตถาคตจะเชื่อว่าอันบริสัทสักการะเคารพนับถือบูชานอบน้อมด้วยเครื่องสักการะประมาณเท่านี้หาไม่ได้หบบนั้นเถอะผู้ใดเลยจะเป็นภิกษุภิกษุณีอุบาสกหรืออุบาสิกาก็ตาม ผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบปฏิบัติตามธรรมอยู่ผู้นั้นย่อมชื่อว่าสักการะเคารพนับถือบูชาตถาคตด้วยการบูชาอย่างยอดเพราะเหตุนั้นแหละอานุ์พวกเธอพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราจะเป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบประพฤติตามธรรมอยู่ดังนี้เนี่ยนะพงษ์นี้ให้ศึกษาเลยนะให้เป็นผู้ที่ทําปฏิบัติบูชา ข้อความในอัตถกถาอธิบายว่าดูก่อนอนอนท์เราตถาคตหมอบอยู่แทบบาทมูลของพระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรประชมธรรมะแปดประการเพื่ อ, อเมื่อจักรธรรมอภินิหารมิใช่จักรธรรมอภินิหารเพื่อประโยชน์แก่พวงมาลัยของหอมและดุรยางสังขีตะมิใช่บัมเพญบารมีทั้งหลายเพื่อประโยชน์แก่สิ่งเหล่านั้น เพราะฉะนั้นเราตถาคตไม่ชื่อว่าเขาบูชาด้วยการบูชาอันนี้เลยเพราะฉะนั้นเอาดอกไม้ระเบียบของหอมเป็นต้นมาบูชาจริงๆแล้วนะไม่ใช่จุดมุ่งหมายของพระ อ, องค์ใช่ไหมบําเพ็ญบารมีทั้งหมดนี่นะไม่ใช่จะให้คนเอาสิ่งเหล่านี้มาสักการะพระ อ, องค์มางั้นคือไม่ใช่ว่าโอ้โหบเพ็ญบารมีจะได้มีปัจจัยสีเยอะๆคนจะได้เอาปัจจัยสีมาบรรณาการเนี่ยนะไม่ได้บาเพ็ญบารมีเพราะเหตุอย่างนั้นเลย ใช่อ่ะที่ตั้งความปาถนาพระองค์ตั้งว่าไงพุทธเจ้าตั้งความปาถนาว่าไงาอ่าพฟงว่างันนะบอกเราค่าอ่าเราพ้นแล้วจะให้ผู้อื่นพ้นด้วยเราข้ามแล้วจะให้คนอื่นข้ามด้วยเราฝึกแล้วจะให้คนอื่นฝึกด้วยเนี่ยนะเราโล่งใจแล้วก็จะให้คนอื่นโล่งใจด้วยเราปรินิพานแล้วจะให้คนอื่นปรินิพานด้วยอันนั้นคือเป้าหมายตั้งไว้ไม่ใช่โอ้เรา บรรลุแล้วเขาจะเอาดอกไม้มาบูชาเนี่ยไม่ได้มีความประสงค์อันนี้เลยไม่ได้ตั้งอันนี้ไว้เลยสมัยนั้นอะ่ะเพราะฉะนั้นที่บําเพนบารมีทั้งหมดไม่ได้ตั้งเป้าหมายเพื่อปัจจัยสี่เหล่านี้นะไม่ได้เพื่อดอกไม้ค้องหอมอ่เป็นต้นถามว่าก็เพระเฮไรพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสรรเสริญวิบากแม้ที่พุทธญาณก็กำหนดไม่ได้ของการบูชา ที่บุคคลถือเพียงดอกฝ้ายดอกเดียวระลึกถึงพระพุทธคุณบูชาแล้วไว้ในที่อื่นในที่อื่นๆนนะคำพีอื่นๆื่นยกย่องเยอเกินนะ่ะนะเอาดอกฝ้ายดอกเดียวว่างั้นดอกฝ้ายสมัยก่อนเขปลูกฝ้ายเยอะนะไปเด็ดเอามาแล้วก็เจริญพุทธคุณแล้วก็เอาดอกฝ้ายเนี่ยเป็นพุทธบูชาบอกโอ้โหนั่นก็ผลมหาศาลนะ่ะทำไมที่อื่นยกย่องขนาดนั้นหรือแม้กระทั่งดอกบวบผมดอกเดียวเนี่ยนะข่างรู้เนี่ยเด็ดไปทําพุทธบูชานั้นก็ยังไปสุขติเลยว่างั้น ที่อื่นยกย่องไว้จริงๆแต่ในที่นี้ทรงกรับคัดค้านการบูชาอย่างนี้พอมาตรงนี้บอกโอยอย่ามาบูชาแบบนี้เลยแบบั้นนะตอบว่าเพราะเพื่อจะทรงสงเคราะห์บริษัทอย่างยิ่งเพื่อประสงค์จะให้พระาศาสนาดำรงยั่งยืนในอย่างหนึ่งด้วยเหตุผลสองประการหนึ่งสงเคราะห์บริษัทสองสาศาสนาจะยั่งยืนอย่างงี้นนะเพราะคัดค้านแบบนี้ขึ้น อธิบายว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่พึงคัดค้านอย่างนั้นไซตต่อไปในอนาคตพุทธบริษัทก็จะไม่ต้องบาเพญ็ญศีลในฐานะที่มาถึงศีลจะไม่ให้สมาธิบริบูรณ์ในฐานะที่สมาธิมาถึงจะไม่ถือเอาห้องคือวิปัสสนาในฐานะที่วิปัสสนามาถึงชักชวนแล้วชักชวนอีกซึ่งอุปถา ก, กระทาการบูชาอย่างเดียวเท่านั้นเนี่ยนะ พูดถึงพระพิสูจน์เนี่ยนะโอ้เวลาเทศไปเทศมาก็จะชวนโยมเนี่ย โ, โยมมันดอกไม้มานะบูชานี่ดีก็ฉะนั้นมัวจะชวนกันบูชาอย่างเงี้ก็ไม่ต้องเป็นสมัมสีนสมถาวิปัสสนากางงันละเหมือนกันจริงอยู่เชื่อว่าอามิตรบูชานั้นไม่สามารถจะดํารงพระาศาสนาแม้ในวันหนึ่งได้คำว่ า, าศาสนาเป็นชื่อของอะไรนะเป็นชื่อของสิกขาสามคืออธิศีและสิกขาอธิจิตาสิกขาแล่ อธิปัญญาสิกขาถ้ามันเน้นแต่เรื่องบูชาดอกไม้ของหอมอย่างเดียวเนี่ยอธิศีรสิกขาเหลือไหมอธิจิตตสิกขาที่ปัญญาสิกขาเพราะฉะนั้นาศาสนาพรมอาจารย์เนี่ยนะซึ่งหมายถึงสิกขาสามจะดำรงอยู่ได้อย่างไรเพราะมัวแต่บูชากันอย่างเดียวเนี่ยนะศีลสมาธิปัญญาแม้แต่วันเดียวก็ดำรงอยู่ไม่ได้เขาบอกว่า เชื่อว่าอามิตรบูชานั้นไม่สามารถจะดํารงพระศาสนาแม้ในวันหนึ่งบ้างแม้ชั่วดื่มข้าวยาคูครั้งหนึ่งบ้างว่างันกินข้าวต้มเแกบอกว่าเวลากินข้าวต้มเนี่ยนะพระศาสนายังดํารงอยู่ไม่ได้เลยเพราะมันเน้นแต่เรื่องอมิตรบูชาอย่างเดียวจริงอยู่วิหารพันแห่งเช่นมหาวิหารเจดี JD พันเจดีเช่นมหาเจดีก็ดํารงพระศาสนาไว้ไม่ได้บุญผู้ใด ทำไว้พูดก็จะเป็นของผู้นั้นอย่างเดียวใช่ไหมใครทําตอนบูชาก็จะอยู่เฉพาะคนนั้นจริงๆแต่มันสืบทอดไปหาคนอื่นๆต่อไปไม่ได้ถ้ามัวแต่เคร่งครัดในเรื่องการสร้างบุญประเภทนี้นะส่วนสัมมาปฏิบัติเชื่อว่าเป็นการบูชาที่สมควรแก่พระตถาคตเป็นความจริงปฏิบัติ บ, ต บ, ตบตูชานั้นชื่อว่าดํารงอยู่แล้วสา ม, มารถดํารงพระาศาสนาไว้ได้ด้วยเนี่นะ คือสามารถดำรงภาพปริยัติศาสนาไว้ด้วยนะถ้าการปฏิบัตินะสามารถดำรงปริยติศาสนาปฏิบัติศาสนาและปฏิเวศศาสนาเอาไว้ด้วยเพราะฉะนั้นพระองค์จึงบอกว่าผู้ใดที่บูชาพระองค์ด้วยการปฏิบัติบูชาเนี่ยนะผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้บูชาอย่างแท้จริงบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าธรรมานุธรรมปฏิปันโนได้แก่ปฏิบัติบุปภาพ、ปฏิปทา อันเป็นธรรมะสมควรคาว่าปปปภาปฏิปทาก็คือปฏิปทาที่อยู่ในเบื้องต้นแห่งโลกุตระธรรมเนี่ยนะธรรมานุธรรมะปฏิปฏิเนี่นะเคยได้ยินนะว่าปฏิบัติธรรมเพื่อสมควรแก่ธรรมไอ้คำว่าสมควรแก่ธรรมเนี่ยสมควรแก่ธรรมไหนเราต้องสมควรแก่โลกุตระธรรมการปฏิบัติธรรมก็คือการ ประพฤติศีและสิกขาเป็นต้นไปเนี่ยนะตั้งแต่ศีรษะสิกขาเป็นต้นไปนี่แหละชื่อว่าเป็นการปฏิบัติธรรมอธิศีน์อธิจิตอธิปัญญานี่แหละชื่อว่าเป็นการปฏิบัติธรรมสิกขาสามเหล่านี้ประพฤติปฏิบัติให้สมควรแก่แกโลกุตระธรรมทีนี้ไอปฏิปทานในส่วนเบื้องต้นตั้งแต่ศีรษะสิกขานี่นะท่านเรียกว่าสามีจีกรรมคือความชอบอย่างยิ่งเพราะเป็นปฏิปทาอันสมควร ชื่อว่าสามีจิตปฏิปันโนเพราะปฏิบัติธรรมะอันชอบยิ่งชื่อว่าอนุธรรมะจารีเพราะปฏิบัติประพฤต์บำเพ็ญธรรมะอันสมควรกล่าวคือปุปภภาพปฏิปทานั่นแลศีลอาจาระบัญญัติการสมาทานทุดงสัมปทาจนถึงโคตรภูยานเพิ่งทราบว่าปุปภภาพปฏิปทาปฏิปทาอันเป็นส่วนเบื้องต้นของโลกุตระคือหนึ่งนศีล ศีลก็เช่นปัดเน้นปาติโมกขสังวรอาจาระได้แก่กลุ่มอภิสมาจารย์หรือขันธกะวัดทั้งหลายเนี่ยกลุ่มอาจาระแล้วก็พอจะตุปปาริสุทธิศีล น, นี้ดีก็สมาทานทุดงอาศัยทุดงนะศีลดีทุดงงามเนี่ยนะก็เป็นบาตรอย่างดีของสมาธิสมาธิก็เป็นบาตรอย่างดีของวิปัสสนาวิปัสสนาก็จะเจริญขึ้นโดยลําดับจนถึง โคตรภูยานทั้งหมดนี้เรียกว่าปุปภาพปฏิปทาหรือข้อปฏิบัติในส่วนเบื้องต้นเบื้องต้นของอะไรเมื่อกี้ของโลกุตระเพราะฉะนั้นภิกษุนี้ตั้งอยู่ในอะคารวะหกอะคารวะหกคือไม่เคารพพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่เคารพในสิก้าไม่เคารพซึ่งการและกันไม่เคารพในปฏิสันถานเนี่ยนะพวกตั้งอยู่ในอะคาระวะหกลมเมิด์พระวินัยบัญญัติเนี่ยนะเลี้ยงชีวิตด้วยอเนสนากรรม พิสุนี้ชื่อว่าไม่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมส่วนพิสุใดไม่ละเมิดศึกษาบทที่ทรงบัญญัติแล้วแก่ตนทั้งหมดที่ขีดขั้นเนี่ยนะเขตแดนและเส้นบรรทัดของพระชินเจ้าแม้มีประมาณน้อยคือปฏิบัติตามพระวินัยบัญญัติเป๊ะหมดเลยเนี่ยนะพิสุนี้ชื่อว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแม่นายพิษุนีก็มีในนี้เหมือนกันทีนี้อุบาสกบ้างะก็อุบาสกใด ย, ยึดเวนห้าเวนห้าคืออะไร 1ปาณาติบาตนี่เรียกว่าสร้างเวนนะเวนโลกนี้ด้วยเวนโลกหน้าด้วยอาทินนาทานก็ชื่อว่าเวนนืการผิดศีลเนี่ยชื่อว่าเวนโลกนี้ด้วยโลกหน้าด้วยผิดการเมสุมิชฉาจาร์ก็สร้างเวนโลกนี้ด้วยโลกหน้าด้วยมุสาวาตก็เวนโลกนี้ด้วยมุโลกหน้าด้วยเดิมสุราก็เวนในโลกนี้โลกหน้าด้วยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าการยึดเวน5ประการก็คือการสมัยนี้ใช้คําว่าผิดศีล5นั่นแหละจริงตามสำเนาคำพีท่านใช้คําว่าประพฤติเวน5ประการเหมือนกัน และอากุศลกรรมบทส0บเอาไว้อย่างแนบแน่นอุบาสกนี้ชื่อว่าไม่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ทำพิศีห้าอากุศลกรรมบทสิบมั่นคงเนี่ยนะอันนี้ไม่ปฏิบททัติธรรมส่วนอุบาสกปฏิบัติให้สมบูรณ์ในสาระสามเนี่ยนะสีห้าีสิบรักษาอุโบสถเดือนละแดครั้งถวายทานบูชาด้วยของหอม บูชาด้วยมาลาบัมรงมานดาบิดาบัมรงสมณพราหมอุบาศกนิผู้นี้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแม้ในอุบาสิกาก็ในยะนี้เหมือนกันเพราะว่าอันนี้เป็นข้อปฏิบัติเป็นบาฐานเป็นพื้นฐานที่จะทําให้ถึงโลกุตระธรรมเนี่ยนะบทว่าปรมายะบูชายะแปลว่าด้วยบูชาสูงสุด พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้ว่าแท้จริงชื่อว่านิรามิตบูชานี้คือด้วยการปฏิบัติแบบนี้เนี่ยนะสามารถดํารงพระาศาสนาของเราไว้ได้จริงอยู่บริษัทสี่นี้จกบูชาเราด้วยการบูชานี้เพียงใดาศาสนาของเราก็จะรุ่งเรืองดุจพระจันเพลนลอยเด่นกลางท้องฟ้าฉะนั้นเนี่ยนะถ้ายังยึดมั่นในหลักการปฏิบัติเหล่านี้พระาศาสนาก็จะดํารงต่อไปได้ตลอดไปอย่างนั้นนะ เพราะฉะนั bert, language, ้นพระองค์ก็เลยสันเสริญในการปฏิบัติบูชาอย่างมหาศาลเนี่ยนะผลของการปฏิบัติบูชาเนี่ยนะผลก็ส่วนใหญ่ก็จะเห็นในทิฏฐธรรมเลยนะถ้าหากว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมก็สามารถบรรลุมรรคผลได้ในในทิฏฐธรรมเลยนะโดยเฉพาะศีลสิกขานี่อนิสงส์เช่นอะไรอานิสงส์ของศีลคือเห็นนะตัวเองติดเตียนตัวเองไม่ได้ผู้อื่นติดเตียนไม่ได้เป็นต้นนั่นเองนะ ถ้านิสงของจิติกขาแหะเนี่ยนะถ้าเจริญได้บริบูรณ์ก็สามารถทำอภิน ญ, ญาเป็นต้นให้เกิดได้ถ้านิสงของปัญญาศีขาก็สามารถที่จะบรรลุมรรคผลได้เนี่ยนะทีนี้เนื้อความต่อไปว่าสมัยนั้นท่านพระอุปวานนะยืนถวายงานพัดพระผู้มีประภาคเฉพาะพระพักครั้งนั้นพระผู้มีประภาคทรงขับท่านพระอุปวานนะว่าดูก่อนพิสุเธอจงหลีกไปอย่ายืนตรงหน้าเรา พระอุปวานะเนี่ยเป็นพผ้ารหารันเนี่ยนะเป็นผ้ารหันที่รูปร่างใหญ่มากเนี่ยนะเป็นแล้วก็นุ่งผ้าบางสกุลด้วยนะมันก็ดูใหญ่มากสำนวนท่านว่าเหมือนลูกช้างเลยนะยืนกั้นยู่เลยทีนี้ท่านพระอณนณุนก็ได้มีความล้ำเหรว่าท่านพระอุปวานะรูปนี้เป็นอุปถาคอยู่ใกล้ชิดพระผู้มีพระภาคมาช้านานก็แหละเมื่อเป็นเช่นนั้นในการครั้งสุดท้ายพระผู้มีพระภาคทรงขับท่านพระอุปวานะว่าดูกรราภิกษุ เธอจงหลีกไปอย่ายืนตรงหน้าเราดังนี้อะไรนอะเป็นเหตุอะไรนอะเป็นปัจจัยให้พระผู้มีพระภาคทรงขับท่านพระอุปวานนะว่าดูก่อนพิสุเธอจงหลีกไปอย่ายืนตรงหน้าเราเนี่ยนะแล้วก็ททนถามพระผู้มีพระภาคพระองค์บอกว่าดูก่อนอานอน์เทวดาในหมื่นโล ก, กธาตุมาประชมกันโดยมากเพื่อจะเห็นตถาคตเมืองกุศนาราสาลวันอันเป็นที่เวทพักแห่งพวกเจ้ามาละเพียงใด โดยรอบถึงสิบสองโยตตลอดที่เพียงเท่านี้จะหาประเทศมาดว่าเป็นที่จดลงแห่งปลายขนสายอันเทวดาผู้มีศักย์ใหญ่จะไม่ถูกเลาไม่ถูกต้องแล้วเป็นไม่ได้มีเนี่ยนะอนารัสมีสิบสองโยต1สิบสองโยตคูณสิบหกิโลเมตรเท่าไหร่อันะสิบสองโยต1สิบสองคูณสิบกเท่าไหร่ <200. S 1> น<า>ักคณิศาสตร์มาว่า นะนั้นระ้อแปิบสกิโลเนี่ยนะในรัศมีเท่านี้เนี่ยนะชั่วปลายเข็มเหมนั้นอนะ่ะปลายเข็มที่โจดโจดโจดกันเนี่ยนะที่เทวดาไม่อยู่เนี่ยไม่มีเลยนะทุกๆุกคนที่เท่าปลายเข็มจรดกันเนี่ยนะแม้กระทั่งในอากาศเป็นต้นเนี่ยนะรัศมีเมืองกุสินาราเป็นร้อกิโลเมตรอย่างว่าไปานี้ก็มีเทวดานี่นะมาโจดกันมากอย่างที่พระ อ, องค์ตรัสกับภาษาลิบุตรว่าเทวดาเนี่ยนะหกิองค์บ้างเนี่ยนะ เรียกว่ายืนอยู่ในโอกาสแม้เพียงปลายเหล็กแหลมจรดกันก็ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยเนี่ยนะปลายเข็มปลายเดียวเนี่ยนะเทวดามีศักย์ใ60่หองค์อยู่ได้อะไม่เบียดเบียนกันเลยนะเพราะฉะนั้นในรัศมีเนี่ยนะเป็นร้อยกิโลเมตรลักษณะเนี่ยเทวดามาอย่างมหาศาลทีนี้พวกเทวดาก็ยกโทษอยู่ว่าพวกเรามาแต่ที่ไกลเพื่อจะเห็นท่าตถาคต พระตถ า, าคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเสด็จอุบัติในโลกในบางครั้งบางคราวในปัจฉิมยามแห่งราตรีในวันนี้แหละพระตถ า, าคตจักปรินิพานว่า ง, งั้นใกล้สว่างวันนี้พระองค์นิพานแล้วว่า ง, งั้นก็ภิกษุผู้มีศักย์ใหญ่รูปนี้ยืนบังอยู่เบื้องหน้าพระพักของพระผู้มีพระภาคพวกเราไม่ได้เห็นพระตถ า, าคตในการเป็นที่ครั้งสุดท้ายนะในการเห็นครั้งสุดท้ายนี่นะมาถึงอ้าวมีพระมายืนบังซะอีกว่า ง, งั้น เขาบอกว่าพระเทเรรูปองค์นี้รูปร่างใหญ่เช่นกับลูกช้างวังนั้นผมผ้าบางสกุลจีวรก็ดูเหมือนใหญ่มา ก, ก น, นะทีนี้ถามว่าเอา้าเทวดามีตาทิพย์ไม่ใช่หรือมองทะลุได้เนี่ยเบอกพิเศษพระเิระองนี้เนี่ยเนื่องจากมีบุญบางอย่างที่เคยดูแลเจดีพระพุทธเจ้าองค์ก่อนมาเป็นอย่างดีเนี่ยนะทาบุญมหาศาลมันเทวดาทั่วไปมองไม่ทะลุท่านเนไ ถ้าปกติทั่วๆไปเขาจะมองทะลุกันได้ใช่ไหมมองข้ามกันได้วบบนั้นเถอะแต่นี้มองไม่ทะลุอ่ะองคงนี้มีบุญมากแล้วเป็นผ้าอรหันด้วยแล้วเป็นผ้าอรหันแบบพิเศษด้วยนะที่เคยทําบุญมาในการบูชาพระเจดีมาเป็นอย่างดีเนี่ยนันเทวดาก็เลยง่อยเลยนะมาอุตส่าห์มาตั้งไกลเลยนะมีคนมายืนบังเลยอดดูเลยนะเทวดาก็เลยเสียใจเลยนะ <c oughs> พระ อ, องค์ก็เลยบอกว่าให้พระอุปวรรอาหลีกไปแบบนั้น ท่านนก็ถามว่าข้าแต่พระ อ, องค์ผู้เจริญก็พวกเทวดานี่เป็นอย่างไรกระทาไว้ในใจเป็นชไหนนะเทวดาเขาคิดอย่างไงกันนะะที่มามากันเนี่ยเทวดาคิดอย่างไรกันพระ อ, องค์ตรัสตอบว่ามีอยู่อนอนลเทวดาบางพวกสําคัญอากาศว่าเป็นแผ่นดินสยายผมประคองแขนทั้งสองคร่ําครวญอยู่แล้วก็ล้มลงกลิ้งเกลือนไปมาดุดมีเท้าอันขาดแล้วรำพันว่า พระผู้มีพระภาคจะเสด็จปรินิพานเสียเร็วนักพระองค์ผู้มีพระจักสุในโลกจักอันตรธานเสียเร็วนักเนี่ยนะเสยียใจเหลือเกินนะบอกว่าสวรรค์ชั้นจาตุ้มนี่อายุเท่าไหร่กี่พันปีทิพย์ห้าพันปีทิพย์เนี่ยนะวันหนึ่งคืนหนึ่งของเขาเท่ากับห้าสิบปีของเราทีนี้เขามีอายุห้าพันปีทิพย์อย่างเงี้ยนะพระพุทธเจ้าเนี่ยนะ หลังจากตรัสรู้จนถึงปรินิพพานไม่ถึงหนึ่งวันเลยอ่ะวันหนึ่งคืนหนึ่งเท่ากับห้สบปีใช่ไหมพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าอยู่กี่ปีสี่สิบห้าปีไม่ถึงวันหนึ่งของชั้นจะตุ่มเลยนะดาวดึงเนี่ยนะมีอายุพันปีที่วันหนึ่งคืนหนึ่งของเขาเท่ากับร้อยปีของเราเนี่ยนะไม่ถึงครึ่งวันของดาวดึงุษเลยนะทีนี้สวรรค์ั้นยามาเนี่ยนะวันหนึ่งคืนหนึ่งของเขาเท่ากับ เข้ามีอายุสองพันปีทิพย์วันหนึ่งคืนหนึ่งเท่ากับสองร้อยปีของเราทีนี้ของเราเนี่ยกี่ชั่วโมงของชั้นยามาชั้นดูสิตเนี่ยนะวันหนึ่งคือหนึ่งของดูสิตเท่ากับสี่ร้อยปีของของเราอ่ะนะแล้วเขามีอายุสี่พันปีทิพย์เนี่ยนะสี่รอปีเนี่ยไม่กี่นาทีของดูสิตเลยเนะวัด <laughs> เดียวนะถ้าเป็นชั้นนิมมานารดีเนี่ยวันหนึ่งคืนหนึ่งของเขาเนี่ยนะเท่ากับแปดร้อยปีของเราแล้วอายุอย่างเงี้ยแปดพันปีทิพย์ แล้วมันกี่วินาทีของนิมมานารดีนะเนาทีครึ่งทีนี้ในสวรรค์ชั้นปรณิมิตาวสวัสดีเนี่ยนะวันหนึ่งคืนหนึ่งของเขาเท่ากับพันหกร้อยปีของเราแล้วเขามีอายุพันหกร้อยปีที่แบบนั้นเนี่ยนะทีนี้มันกี่วินาทีนะวัดเดียวสามทีนี้ถ้าพรห ม, มโลกเนี่ยนะพรหมเนี่ยนะเช่นพรหมมาปริสาชาเนี่ยนะหนึ่งกับเนี่ยหารสามเขาเศษหนึ่งส่วนสามของกับหรือเศษหนึ่งส่วนสี่ของกับเนี่ยนะ แ, แล้วพระพุทธเจ้าสี่สบห้าปีเนี่ยมันแทบจะกระพริบตาไม่ทันอ้า่องนิพพานได้เลยอย่างเงี้ยนะเพราเทวดาที่มาแล้วไม่ใช่จักรวาลเดียวเนี่ยนะมาเป็นหมื่นจักรวาลเนี่ยเทวดาที่ม า, มามามามาเนี่ยก็จะมาเห็นมามามาถึงก็ไม่เห็นอีกเนี่ยนะพระบังอยู่ไงเหรอเสียใจยแย่เลยทีนี้พอมาแล้วก็เสียใจยใหญ่เลยโอ้กลิ้งเปลือกกันนะพระองค์นิพพานเร็วแท้แบบนั้นพระผู้เป็นดวงตาของโลกนิพพานเร็วแท้พระพุทธเจ้านี่มีตาอะไรบ้างหนึ่ง จับมังสะจักสุเนี่ยนะในส่วนของตาจับตาเนื้อว่างั้นเถอะตาเนื้อพระองค์เนี่ยปกติเนี่ยนะทั้งกลางวันกลางคืนมองเห็นรัศมีเป็นโยดเลยน ะ, น ส, ะสิบหกกิโลเมตรลงล่างเนี่ยนะลืมตามองเห็นเลยว่าข้างล่างลงไปสิบกิโลเมตรเนี่ยโดยรอบเนี่ยนะไม่ต้องส่องไฟให้มองเห็นกลางคืนกลางวันเหมือนกันหมดอันนี้ตาตาเนื้อธรรมดาเนี่ยนะด้วยผลของสุจริกรรมถ้าตาทิพย์ไม่ต้องห่วงเลยว่าจะเห็นได้ขนาดไหน ทีนี้ก็มีตาทิพย์ที่เห็นได้แม้ที่ไกลละเอียดขนาดไหนก็มองเห็นส่วนหนึ่งพระ อ, องค์มีอะไรธรรมะจักสุนี่นะก็คือมีตาที่มีดวงตาเห็นธรรมคือเห็นมรรคผลนิพพานเนี่ยนะธรรมะจักสุนี้แค่ไหนก็คือโสดาปฏิมัสกาาคามีนาคามีชื่อว่าธรรมะจักสุส่วนปัญญาจักสุก็คือตาปัญญาที่มองเห็นเห็นอะไรเห็นอริยสัจหน่อนะมองเห็นอริยสัจนั้นก็เรียกว่าปัญญาจักสุ แล้วยังมีพุทธจักสุกอีกอพุทธจักสุกคืออินริยาโปรปริยตยานกับอาสยานุสยะยานเนี่ยนะอินดิยาโปรปริยตยานก็คื อ, อยามที่ยังรู้ความยิ่งความหย่อนแห่งอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลายโดยอาการห้าสิบเนี่ยนะว่าสัตว์เหล่านี้เนี่ยมีมีอาการดีมีอาการชั่วสัตว์เหล่านี้เนี่ยนะปกติแล้ว เป็นผู้มีอินทรีย์อ่อนหรือว่ามีอินทรีย์แก่กล้ามีทุลีคือกิเลสในดวงตาน้อยหรือในดวงตามมากเนี่ยนะเป็นผู้สอนให้รู้ได้ง่ายหรือสอนให้รู้ได้ยากเป็นต้นอนะ่ะพระองก็รู้เนี่ยนะว่าพวกที่มีอินทรีย์ห้าอ่อนเนี่ยสอนยากว่างั้นะพวกมีอินทรีย์ห้ามากสอนง่ายเป็นต้นนะนะพระองค์นี่รู้หมดเลย อันนี้เรียกว่าอินทริยะโปรปริยัตญาณรู้ความยิ่งความหย่อนว่าใครมีศรัทธาวิรยิยะสติสมาธิและปัญญาแค่ไหนเนี่ยนะมีมากหรือมีน้อยขาดส่วนไหนส่วนไหนเป็นต้นบ้างและยังมีพยานอีกอย่างก็คืออาสยานุสยายานยานที่ยังรู้ถึงจริตนิสยัยอธิมุตเนี่ยนะความแตกต่างกันแห่งระหว่างาธาตุมบบนั้นเลย อ, อันนี้ก็อย่างรวมหมดอันนี้เรียกว่าพุทธจักสุกเนี่ยนะอันนี้มีเฉพาะพระพุทธเจ้าอย่างเดียว แล้วอย่างหนึ่งพระองค์ยังมีสมันตจักสุนี่นะสมันตจักสุคือสัพพัญญุตยานดวงตาที่มองเห็นโลกนนะมองเห็นทุกอย่าง ท, งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตเนี่นะก็บอกว่าสิ่งทั้งหลายมีประมาณเท่าใดพระพุทธเจ้าเห็นเท่านั้นวองเงี้ย น, นะสังคตะธรรมอสังคตะธรรมยังไงพระองค์รู้หมดเลยมองเงี้นเพราะฉะนั้นถามว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะตอนที่พระองค์ยังมีพระชนอยู่มองเห็นเราไหมที่ท่านนั่งฟังธรรมอยู่ตอนนี้เห็นไหย เห็นหร PM ือไม่เห็นเขาบอกว่าไม่มีอะไรที่พระองค์นี่ส่องไม่เห็นทั้งอดีตอนาคตเลยนะอดีตไม่มีที่สิ้นสุดพระองค์ก็ส่องเห็นอนาคตที่จะมีต่อไปไม่มีสิ้นสุดพระองค์ก็ส่องเห็นในปัจจุบันตอนนั้นก็ส่องเห็นหมดเลยเพราะฉะนั้นเราอยู่อย่างนี้ก็เหมือนกับคนตาบอดนะดวงอาทิตย์ส่องมาเห็นอย่าเนึกว่าดวงอาทิตย์ส่องไม่เห็นนะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นดวงอาทิตย์ส่องให้เรามองดูไม่ใช่เฉพาะส่วนนี้ด้วยดวงอาทิตย์ส่องที่อื่นด้วยใช่ไหมประอาทินี่ส่องเฉพาะประเทศไทยหรือเปล่าตอนนี้ ไม่ใช่สองต่างหลายประเทศพร้อมกันเลยนะพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันแค่เหลือบตานี่ก็โอ้ยรู้อะไรมหาศาลคําว่าปัญญาพระพุทธเจ้านี่เร็วแค่ไหนบอกว่าระลึกชาตินะเราหายใจเข้าออกไม่ใช่เวลากี่นาทีหายใจเข้าออกหนึ่งครั้งนะ้นหนึ่งเฮิร์ต์อะถึงนาทีไม่ไม่ถึง น, นนะเนี่ย น, น, นั่นแหละพระพุทธเจ้าระลึกได้เก้าสิบเอ็ดกับ<อ>แค่นั้นน่ะนะ เ้เดียวนันแ่ละแล้วลึกได้เก้าสิบอ็ดกับเนี่ยนะไวขนาดนั้นเพราะฉะนั้นพระองค์รู้หมดแหละว่างั้นน่ะถ้าเราจะตกนรกหรือจะขึ้นสวรรค์พระองค์ก็รู้แล้วล่ะนะแต่นั่งอยู่งี้อากุสนี่ตกเกิดพระพุทธเจ้ารู้แล้วว่างั้นอ่ั้นเทวดาเขาก็เลยเสียใจกันยกใหญ่เลยนะผู้เป็นดวงตาของโลกอนะเร็วลึกเกินงัน ทีนี้เทวดาบางพวกก็สําคัญแผ่นดินว่าเป็นแผ่นดินสยายผมประคองแขนทั้งสองคลําครวนอยู่ล้มลงเนี่ยนะกลิ้งเกลือกไปมาดุดมีเท้าอันขาดแล้วรำพันว่าพระผู้มีพระภาภจักเสด็จปรินิพานเสียเร็วนักพระสุคตจักเสด็จปรินิพานเสียเร็วนักพระองค์ผู้มีพระจักสู่ในโลกจักอันตรธานเสียเร็วนักเนี่ยนะทีนี้ส่วนเทวดาที่ปราศจากราคะแล้ว มีสติสัมปชัญญะอดกลั้นโดยธรรมสังเวทว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นเราสัตว์จะพึงได้ในสังขาร น, นี้แต่ที่ไหนเนี่ยนะโอพระอนาคามีนี่ไม่เสียใจเลยนะเทวดาที่เป็นอนาคามีนี่ไม่เสียใจเลยพระพุทธเจ้านิพพานนะแต่ท่านสลดสังเวชใจว่าโอ้สังขาร น, นี่มันไม่เที่ยงจริงๆเลยนะขณะรูปประขันดีระดับพระพุทธเจ้ารูปประขันระดับนี้ยังแตกทําลาย เวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณขันธ์ที่บริสุทธิ์ขนาดนี้ยังยังแตกทําลายเนี่ยนะเพราะฉะนั้นขันธ์ทั้งหลายเนี่ยนะจะเที่ยงมีแต่ที่ไหนไม่มีขันธ์เที่ยงสักอย่างหรอกขันธ์ดีขนาดนี้ประเสริฐขนาดนี้ยังยังแตกทําลายเลยรแบบั้นนะทีนี้คําว่าสังขารทั้งหลายเนี่ยนะเพราะอะไรใช้คําว่าสังขารเพราะว่าเป็นธรรมชาติที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นเนี่ยนะพระพุทธเจ้ า, าเนี่ยนะ ในส่วนที่เป็นรูปขันหรือนามขันที่เป็นศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนสติสัมปชัญญะยีเรโอตปะเนี่ยนะกุศลธรรมทั้งหมดเหล่านั้นที่มีอยู่ในจิตใจของพระองค์ก็เป็นเป็นขันไหมเป็นเนี่ยนะเป็นสังขารขันก็มีเป็นสัญญาขันก็มีเป็นเวทนาขันก็มีก็คือนามาขันทั้งหลายขันทั้งหลายเหล่านี้ก็เกิดจากปัจจัย เมื่อขันทั้งหลายเกิดจากปัจจัยขันทั้งหลายเหล่านั้นก็ไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าก็คืออายตนะเนี่ยนะถ้าแบ่งมาส่วนขันธาตุและอายตนะก็คือขันธาตุและอายตนะแต่เป็นขันธาตุอายตนะที่พิเศษว่ากันเถอเป็นขันธาตุอายตนะชั้นดีอะนะแต่ทีนี้ว่าถึงดีขนาดนั้นก็ไม่ไม่เที่ยงอันท่านาคามีไม่เสียใจยแต่ได้สลดสังเวทใจพระารหันก็ไม่เสียใจยแต่ก็สังเวทใจว่าโอ้ขันมันเป็นอย่างนี้แหละเว่ากั้น เพราะฉะนั้นใครจะไปปรารถนาโอ้ขันที่ที่เกิดแล้วจงอย่าแก่ที่แก่แล้วจงอย่าตายเป็นต้นเนี่ยไม่มีใครทําได้เหมงอนันน่ยอย่ว่าขันเลยเนะเขาบอกว่ากรรมที่มันให้ผลนะพระพุทธเจ้ายังห้ามไม่ได้ถ้ากรรมจะให้ผลนะกรรมชั่วจะให้ผลเนี่ยถ้ากรรมมันนั้นมีกําลังจริงๆเนี่ยนะประโยคนสมบัติก็กั้นไม่ได้เนี่ยนะถ้าถ้าได้คติวิบัติกาลวิบัติอุปธิวิบัติประโยคะช่วยไม่ได้เลย เพราะอย่างอื่นมันวิบัติไปหมดแล้วนะมันเกินแก้ไขบา ง, งันทีนี้ในส่วนอื่นๆก็คงเป็นต่อช่วงบ่ายเนาะ